จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันในครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาใครมีความสนใจอยากจะเข้ามาก็เชิญเข้ามาได้เราไปที่โตเกียวเช่นเคยกับเด็กชายนักคุณ นกูนเป็นยังไงคะตามา ก, การก อ, อาจารย์ถ า, าจาัดนอะไระคดีวันนี้ออกมาข้างนอกค่ะะอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะแต่อย่างต้องมากราบตามาส ก, การคะ อ, อาจารย์จะพามาที่ไหนอยู่ยยโยโกฮาม่าค่ะะอาจารย์โอ้ไปไกละนะไปไกลเลยค่ะ <laughs> โอเค เจอแล้วค่ะกาบนร้ำสักการเจ้าค่ะพระอาจารย์อาจารย์พระอาจารย์กาบคระอาจารย์เป็นยังไงโอเคเป็นเด็กดีนะอย่าดื้อนะอย่าซนนะอาจารย์บอกว่าอย่าซนนะโอเคไหมโอเคค่ะหลับชาไหมครับหลับชาครับอาการ์นะดอกสวยๆดอกบัวสวยๆก่อนลูกกาบนมัสักการครับพระอาจารย์ อ่าดีมากสาธ่อ่าท่นนี้ก่อนนะค่ะพระอาจารย์กระดาบค่ะอ่าไปที่เ จ, จ้ม่จันทร์ที่อ่าไงไงกลางนมัสการพระอาจารย์ครับอปิดเทอมไหมยังปิดเทอมแล้วครับยังซัมเมอร์ปล่า ไ, ไม่เรียนคนระับไม่เรียนแล้วทําอะไร ก็อยู่บ้านครับเออให้บวชเองไหมตอนนี้เอิมยังไม่พองนะจ๊ะยังไม่ยังไม่พรองเลยใ่จะ่นยังใหญ่จะเล่นเกมยังใหญ่กินข้าวเย็นอยู่ละครับโอเคมีอะไรบ้างวันนี้มีการบ้านเช่นเคยเลยใช่ครับอะบ้ามา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 มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เ, <ร>เราจะเป็นทายาท<ด>คือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสิ้นไปเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวักนเถิดอเชื่อไหมที่พิจารณาเนี่ยเราเชื่อไหมเชื่อครับอือเชื่อแล้วต้องทำทำกรรมดีนะอย่าไปทํากรรมไม่ดีครับผม อืมโอเคแล้วร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจกลับผังพืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีสันน้ำดีน้ำสเลดน้ำเหลือง น้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำ no มัน no. ข้น no น้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ทอดน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่อดน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลน้ำดีเจ้ในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ใส้น้อยใส้ใหญ่ ปอดไตผังผืดตับหัวใจน้ำเยื่อในกระดูกกระดูกเอนเหลือหนังฟันเลซขนผมแล้วตัวเราอยู่ที่อะไรไม่อยู่ครับไม่อยู่ในร่างกายเใช่ครับไม่มีฮะในร่างกายไม่มีตัวเราใช่ไหมไม่มีครับเราอยู่ในโลกหนึ่งใช่ไหมใช่ครับอเหมือนกับยาธรรมกาญกับ ที่อยู่โลกประจย์กับคนควบคุมอยู่บนโลกนี้ใช่ใชนนที่คนละที่นะเราะฉะนั้นร่างกายเป็นอะไรเราก็ไม่ต้องไปกลัวมันใช่ไหมครับกลัวมันแล้วพราะมันไม่้มันไม่เป็นเราไม่ใช่เลยใช่ไม่เป็นเราไปกลัวมันทำไครับชหมใช่ครับ ก็รู้เฉยเฉรู้ว่มันเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปดูแลมันได้ก็ดูแลไปอไม่ตมอ้องร้องหมร้องไห้ครับเข้าใจไหมเข้าใจครับอถ้ามันจะร้องผมร้องไห้ก็ใช้พุทโธอยู่มัน<อ>พุทโธพุทโธพุทโธซ่องไปเรื่อยๆอือ ไม่้องกลัวนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราอยู่คนละโลก เ, เราอยู่อีกโลกเราอยู่โลกที่ร่างกายอยู่โลกกับธาตุโลกของดินน้ําลมไฟเราอยู่ของโลกของธาตุรู้ธาตุรู้อยู่คนละโลกกับธาตุสี่ดินน้ําลมไฟผ้าใจเข้าใจค่ะครับมีอะไรจะถามไหมวันนี้ไม่มีครับไม่มีอะ คุณแม่ก็ไม่มีไม่มีขนมปฏิบัติทุกวันแถววันนี้ก็กินข้าวมื้อเดียวอ่านีพยายามฝึกไปเรื่อยๆบีบกิเลสบีบมันเวลาบีบบีบผ้าบิดผ้าน้ำลื่นเอาน้ําออกเนยกิเลสมันเราต้องรีบมันออกจากใจเราอยู่ดีๆมันไม่ออกเราต้องบิดบิดใจเรามันบิดผ้าเวลาจะตากผ้าก่อนจะตากผ้าเราต้องบิดผ้าก่อนใช่ไหมเอาน้ําออกให้หมด ก่เลสอยู่ดีๆเชมันไม่ไม่บิดไม่ได้มันไม่ไปนะอ ย, <laughs> อย่างอยู่ดีๆว่ามันจะมาขออาสาสมัครขอลาจากจากใจเราไปไม่มีวันเป็นไปได้นะอย่างนี้มันต้องการครอบครองใจเราไปตลอดเราต้องใช้ธรรมะบีบมันใช้สิงแปดเบิ่บีบมันเนี่ยใช้กินเมื่อเดียวใช้ทุดงขาวะเนี่ยนี่เป็นวิธีบีกกิเลสเนี่ย มันจะทําให้ใจเราเบาใจเราสบายขึ้นเยอะแยะไปหมดถ้าเมื่อนั่งกายจะอดอยากขาดแคลนแต่ใจเราสบายดีการร่างกายอิ่มมีพีมาแล้วใจเราทุกข์ใจเราวุ่นวายใจเรากุ้งหวาดวิตกกังวลเป็นต่างๆนั่นนะแต่ถ้าร่างกายเราอดอยากขาดแคลนแต่ข้าศัดรมันจะไม่ค่อยวิตกกังวลกับมันเมื่อรู้ว่ามันมันเป็นยังไงก็จะต้องแก่เจ็บตายวันใดวันหนึ่ง แล้วมันก็ไม่ใช่เราเนี่ยมีวิธียากเราออกจากร่างกายก็พิจารณาการสารที่สองไปเรื่อยๆแล้วไล่เป็นทีละอาการผมขนเลฝันเป็นไหนเป็นเราหรือเปล่าขนเป็นรเราว่าเล็ดเป็นรเราบ้าในร่างกายทั้งสาที่สองอาการนี้มีส่วนไหนเป็นเรามันไม่มีต้องพิจารณามันต้งจะเห็นทำไม่พิจารณามันก็ยังไม่เห็นต้องแยกแยกอาการสารที่สองออกไว้ จะได้ค้นหาเจอว่าตัวเราอยู่ตรงไหนกันตัวเราเป็นผู้พิจารณาผู้พิจารณาจะไปอยู่ในผมขนเลในฟันได้ใช่ไหมต้องทาถ้าไม่ทำาองที่เฉยมันไม่มันไม่มันไม่มันไม่ถึงใจกิเลสมันไม่มันไม่มันไม่กลัวแต่ถ้าแยกของอยู่เรื่อยๆแยกอาการท้ายสองเดี๋ยวมันก็เห็นชัดขึ้นเองนะ เราจะได้หายตัวร่างกายมันไม่ใช่เราตัวเราไม่มีเราอยู่ในร่างกายนี้เราเลยไปกลัวกันทำไมโอเคนะฝากเพอนำอ่าไปที่ตะวันต่อเราขอบคุณพระเจ้าครับตะวันเนเธอร์ลแลนด์ฮอลแลนด์แบบั้ไปยังไงตะวัน มีอะไรจะถามมเอ่อวันนี้แค่มีหนึ่งคำถามครับอ่าว่ามาเอ่อดปติโมแปาว่าอะไรชิๆครับปิโมคือสงสองรอยี่สิบเจ็ดข้อของพระเด็กเด็เกมีชื่อว่าพระปิโมอยู่อย่า ง, างตะ ว, วันนี่ถึงสิลกี่ข้อห้าข้อใช่ไหมถือได้ไหมห้าข้อ<ด>อ่าถ้ามาบวชเป็นเองก็ต้องถือสี่งสิบข้อ ถ้ามาบวชเป็นพระน้องถือศีลสองอยิบเจ็ดข้อมากเลยมากเลยส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นระเบียดให้พระเรียบร้อยใช้เวลากินก็ไม่ให้เียวเสียงดังเวลาซดน้ำก็ให้ซดนให้ไม่เสียงดังให้ทำตัวให้เรียบร้อยพระพุทธเจ้าช่านท่านเป็นลูกพรเจ้าแผ่นดินท่านมีมารยาของพระเจ้าแผ่นดินติดตัวมาท่านก็มาสอนพระ ใพระมีมารยาทเหมือนพระเจ้าเหมือนกับพวกพวกพเจ้าแผ่นดินอเพราะว่าคนเคารพนับถือพระกันแต่ถ้าพระพระทําทตัวเหมือนลิงเหมือนหมามันก็ไม่น่าเคารพใช่ไมืมก็ต้องมีข้อบังคับ บ, คบังคับการทําอะไรต้องเรียบร้อยอเห็นแล้วหน้าหน้าชื่นชมน้ายินดีหน้าเคารพเงื่อนสายเี่คืดระเบียบของพระ 227ข้อในกานกฎระเบียบต่างๆสมัครรับทำอะไรผก็ฉันก็มาฟอ้ององพระเจ้าอขาจะจะก็เรียกมาสอบถามดูพอได้พอรับทราบว่าทำผิดจริงๆก็ส้ามต่อไปนี้ห้ามทำอย่างนี้นะมันมีระเบียบขึ้นมาเรื่อยๆ ตอ น, น, นแรกๆมีแค่ไม่มีระเลยไม่มีเฉพราะคนมาบวชเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นอาหารหันต์นี่ท่านเรียบร้อยแต่ต่อมาคนมาบวชเป็นคนธรรมดาปุถุชนมีกิเรนนะก็เลยเริ่มทําผิดข้อนั้นข้อ น, น, น, อ น, นี้คนเห็นแล้วก็ไป็นรยายงานพระเจ้าพระเจ้าก็เลยต้องมาสั่งห้ามทาอย่างนี้ห้ามทําอย่างนี้ก็เลยมีมาเรื่อยๆ ครับพระเจ้าอยู่ถึงวันนี้อาจจะมีถึงสองสองพันข้อแล้วก็ได้ไมัม้ยมีอย่างมีฟ้องตา่างๆที่ญาโยมอยากจะให้มีขึ้นมาใช่ไหมทําไมพระทําอย่างงั้นทําไมพระทําอย่างงี้อ่าแต่ไม่มีไม่มีพระเจ้าไปฟ้องก็เลยไม่รู้จะไปฟ้องใครอ็เลย อ, อถ้าพระเจ้าอยู่เนี่ยคงจะมีข้อห้ามอย่เยอะแยะเลยทั้งหมดห้ามซื้อรถใช้เองห้ามขับรถเอง <laughs> ห้ามอะไรยห้ามไปเดินตามศูนย์การค้าช้อปปิ้งอันนี้มันไม่มีก็เลยไม่มีใครห้ากล้าห้ามกันหรือคนห้ามก็คนห้ามก็มีทำข้อผิดเยอะอยแยะเหมือนกันก็ไมห้ามใครก็เลยปล่อยให้เลยตามเลยไปเข้าใจยังเข้าใจโอเค มีอะไรอีกไหมเมื่อวานนีค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณแม่ละ่ะค่ะพระอาจารย์ก็สตาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะมันมีโจทย์มาให้เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์มันกิเลสมันไม่ให้เราคัะเลยค่ะพระอาจารย์แต่ก็แต่ก็ดูมันไปค่ะพระอาจารย์แล้วก็เออ่จากเมื่อก่อนเนี้ยก็จะท้อว่าทําไมจะต้องมาเรื่อยๆคือเหมือนกับว่าความอยากมันไม่อยากจะให้ มีตัวนั้นนะคะแต่พอมามองในแง่ดีก็คือโยมมองว่ามันเป็นมันเหมือนค่าสึกมาอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์มันทาให้เราเข้มแข็งแล้วก็ขแข็งแกร่งขึ้นนะคะพระอาจารย์ถ้าเราลบพัชนากับกิเลสตัวนั้นนะคะกิเลสมันทำ ง, งานตลอดเวลาเราต้องปฏิบัติตลอดเวลาเนี่ยสติเนี่ยตัวตั ว, ตวที่จะต่อสู้กิเลสได้เราต้องฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาถ้าเราไม่มีสติกิเลสมันมาก่อนนะว่า อ, อยากกินนู่นอยากกินนี่ขึ้นมาที่ ใช่ค่ะพ่อช้างก็พอเห็นกิเลสมากขึ้นแล้วเหมือนกับมันจะบีบให้มันจะรู้สึกทุกข์แล้วก็เหมือนกับว่ามันบีบให้เราต้องเดินมาระคาพะอช้างเพราะเราอยากจะพ้นทุกข์ตรงนั้นนะคะจ้าใช่แล้วมันมันก้าวสิ่ของมามันบุกมาเราอยู่เฉยๆแล้วก็ถูกมันถูกมันฆ่าเราต้องฆ่ามันก่อนก่อนที่มันจะมาฆ่าเราเอออย่างนั้นปฏิบัติจริงๆเขาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืน มันจะต่นขึ้นมายกเว้นเวลาหลับเขาไม่ปล่อยให้ใจเพ้อปล่อยให้กิเลสออกมาเหยียบย่ำพอกิเลสโผลขึ้นมาก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาหยุดมันจริงีช่ค่ะพระอาจารย์อย่างบางทีโยมอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมคะปกติตอนเจ้าตะวันไปโรงเรียนกับคุณมากโก้ไปทํางานใช่ไหมคะพระอาจารย์ไอตรงนั้นอะ่ะมันจะเกิดตัวเอ่อเกิดที่ใจอย่างเดียวอดีตอนาคตอะไรแบบนี้คะ่ะพระอาจารย์ แต่พอกับเจ้าตะวันกลับมาบ้านปุ๊บตัวนี้มีทั้งทั้งรูปทั้งเสียงทั้งอะไรมาเป็นละลอกละ ล, ะลอกค่ะอาะเจ้าก็พยายามสู้อยู่ค่ะอย่ประมาททูตเจ้าบอกอย่าประมาทให้ริบจริญสติให้มากๆใช่ค่ะพระเจ้าสตินี่เป็นที่เพึ่งของใจได้แล้วก็ตามด้วยปัญญาต่อไปค่ะอินทรียยังอ่อนก็ต้องต้องทําให้มากขึ้นความเพียรยังอ่อน เพียงสร้างสติไม่ค่อยได้มากเพียงสร้างสติเพียสร้างสมาธิแล้วก็เพียสร้างปัญญาทำให้เปลี่ยนอินทรีย์มาให้เป็นพลระห้ามีอะไรอไหมวันนี้มีเท่านี้ค่ะอาจารย์โอเคยักัไปต่อที่คุณหมอพิเชษนะหมอ กล่านมัสการพระอาจารย์ครับวันนี้มารายงานการพิจารณาอาสุภะเพื่อละกามรมณ์ครับพระอาจารย์เมืมมม่อได้เมืมม่อได้เมื่อได้สัมผัสกับสิ่งที่สวยๆงามซึ่งอาจจะทําให้เกิดกามรมณ์ขึ้นมาเนี่<ม>ยย่อมได้น้อมนําคําสั่งสอนของพระอาจารย์มาปฏิบัติในการพิจารณาอาการสามสิบสองเพื่อพิจารณาว่าร่างกายไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดเห็นนะครับแล้วก็ น้อมนำข้อธรรมะที่พระอาจารย์ได้สั่งสอนว่านักบวชผู้ปรัชนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นปฏิกูลและมีสิ่งสกปรกต่างๆที่ถูกขับถ่ายออกมาตามตะวันต่างๆเป็นสุภาไม่สวยงามน่าขยะกขยแงงหลังจากที่ได้พิจารณาข้อธรรมะดังกล่าวแล้วก็ทําให้สามารถดับความรู้สึกทางด้านจมรุ่มนี้ไปได้ครับพระอาจารย์ มากราบเปลี่ยนพระอาจารย์แล้วก็อขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับอาจารย์เออมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยระวังเราดับมันคราวนี้ก็ต้องดูดูว่ามันจะกลับมาใหม่หรือเปล่าคือมันถ้ามันกลับมาเมื่อไหร่เราต้องดับมันได้ทุกครั้งไปอืเพราะว่ามันมันใหม่ๆ ม, มันยังหอาจจะ มันยังไม่อาจจะไม่แรงมันกับมันยังแต่ถ้าเราเริ่มเริ่มอ่าการเสกการมา น, นานๆความอยากมันอาจจะรุนแรงขึ้นมันแรงขึ้นแล้วอุบายวิธีของมันมันอาจจะมาแบบแยบยลแบบที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้พ่มได้หลอกให้เราที่ว่าเราอไม่ไม่มีแล้วเนี่ยมันก็มาสรุปหนังหน้าเราได้ในที่ ก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่ว่าหยุดมันได้ครั้งเดียวแล้วมันจะมันจะหมดหมดไม่หมดไม่รู้เราต้องระวังตามใดที่เรายังเอ่ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยตัวนี้เราก็ต้องคอยระมัดระวังคอยอยู่ ว, วันเสมอว่ามันนาแล้วเราหยุดมันได้หรือเปล่าอืถ้าหยุดได้ก็ไม่มีปัญหา ถ้าไม่มาเลยก็ก็ดีแสดงว่าันปัญญาของเรามันมันมันมีมากมันเลยทำให้มันไม่โผล่ขึ้นมาหรือถ้ามันโผล่ขึ้นมาเราใช้ปัญญาหยุดหยุดมันได้หรือเปล่าแล้วก็เคยมีคนมีอาจารย์ท่านเล่าอ่ะถ้าอยากจะทดสอบ ก, ก็ลองหาดูนึกถึงภาพสวยๆมงงาดูมาปลุกอารมณ์ดูว่ามันจะ มันจะโผล่ขึ้นมาแหละถ้ายังโผล่อยู่ก็ต้องแสดว่ามันยังยังไม่สิ้นิป น, นี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคอยคอยสอดส่องดูแลอย่าประมาทดั่ก่อนเราจะแน่ใจว่ามันโผล่มาปบเราก็ดับมันได้ป้มนี่แต่ในหลจะต้องทดสอบ ปลกมันขึ้นมาแล้วก็ดับันปลกมันขึ้นมาแล้วก็ดับหนึ่งแต่น้นองน้ำกับกรจะกลับกับพวคุณอย่างสุด<ช>กาจจบแบบไปนี้คุณทิศมาดอนเมืองกลับมาสการค่ะอาจารย์วันนี้เข้ามารับฟังธรรมค่ะอาจารย์ยังคือสิ่งแปลงนอว่า สินแพะวันนี้เอต้องใช้อาสุภาพนะถัาซื้อสินแพะมันต้องมีต้องใช้อสุภาพก็อมีพิจาาบ้างค่ะอาจารย์แต่ว่าก็มันมันยังไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าหนูจะต้องใช้อ่ะค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ค่อยได้มีอะไรประมาณนะะี้ค่ะเป็นข้อสามรักษาใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอรัอาจารย์อัลบับมมาจริยาค่ะอืม อเคได้เป็นปกติค่ะอาจารย์นี่อาจารย์ท่าขแข็งแรงนะคะาาาาอาจารยคุณยาคุณสาธารณทางไงเอสิ่งกี่ข้อดีตอนนี้ค uh huh. ะเอาสิ่งกี่ข้อดีคะ uh huh. หลักหลักห้าแต่ว่าก็ปกติก็อยู่อยู่ข้างในอยู่แล้วะคะ่ะไม่ค่อยคุกคีคนอยู่แล้ว uh huh. ก็ปลอนะคะอืม ถ้าออกไปข้างนอกก็จะเวลาแบบไปหาพ่ออย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็จะค่ะแต่ส่วนมากก็จะอยู่แต่ในห้องเพราะเป็นคนชอบติด บ, บ้านนะคะอาจารย์ mm hmm. อือ่าพอเวลาออกไปข้างนอกก็ตั้งแต่ปฏิบัติอะคะ่ะพระอาจารย์มันมันจะคอนโทรลอยู่มันก็จะไม่มีอารมณ์กับรอบข้านอะคะพระอาจารย์เหมือนแบบพอเดินเราก็ไม่ได้สนใจอะไรอ่ะคะ่ะ แต่ยังไม่ถือสินแต่ใช่ไหมยังเก็บไว้เผื่อดูละครบ้างฟังเพลงบ้างกอืมส่วนมากไม่ดูคะ่ะไม่ได้ดูมา <c oughs> นานเพราะค่ะออเพราะว่าละครเดี๋ยวนี้มันมันไม่ค่อยไม่ค่อยอย่นั้นนะค ะ, ะไม่คนะรุ่น เ, ร, เราเราก่บเขาคนล ะ, ะละรุ่นกันแล้วก็แบบเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อมันดูเด็กเล่นละครให้เราดูนะผู้ใหญ่ ค่ะมันเดี๋ยวนี้มันมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ไม่ไม่ได้แบบนั้นแต่ลูกก็ไม่ได้ดูตั้งนานแล้วนะคะอาจารย์อืมค่ะไม่ติดค่ะโอเคไปเรือร่อยๆค่ะอ า, าจารย์ค่ะโอเคค่ะเดีอ่าคุณโรซาแปดหรือห้าสมมาสการค่ะอาจารย์ ตอนนี้ยังรักษาห้าอยู่ค่ะแต่ว่าจริงๆมันก็เกินห้านั่นและค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังต้องรักษาร่างกายอยู่ค่ะจังแต่ว่าก็จากเมื่อวัไปเจาะเลือดมาใช่ไหมคะแล้วก็พยาบาลเขาเจาะตีครั้งค่ะจังเจาะไม่ได้แต่ว่าโยมก็ใช้วิธีที่ใช้มาค่ะก็เขาขอโทษก็บอกขอโทษนั่นบอกไม่เป็นไรหลงหนูทำหน้าที่ของหนูเต็มที่แล้วทําไปเลยไม่เป็นไรโยมก็พูดโทรอย่างเดียวค่ะจัง ก็แยกได้อยู่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือต้องรักษาร่างกายสักระยะค่ะจันแต่ก็ยังนอนที่นอนเดิมค่ะแล้วก็ไม่แต่งเครื่องหอมเหมือนเดิมเพียงแต่กินอาหารเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ดูละครบ้างเล็กน้อยอ น้อยๆบางทีมันมันนอนแบบอยู่กับที่ก็เลยเปิดดูเรื่อยๆนะคะดูช้าบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนั้นนะค่อาจารยก็พยายามรักษาใจอยู่ค่ะอือาการฟุ้งก็ไม่ฟุ้งค่ะอาจารย์แต่ว่าตอนที่ว่าก็เพราะว่าจากการที่เราไปเจาะเลือดเนี่ยซึ่งทุกคนจะถ้ารู้จักโยมจะรู้ว่าโยมเป็นคนกลัวเข็มมากค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้ก็คือยื่นมือให้เขาทําได้ตามสบาย รู้สึกแบบอืก็ก็ดีค่ะชีวิตดีขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์ <Okay. S 2> แต่ก็ถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายแข็งแรงก็จะกลับมารักษาเสียงแตะเหมือนเดิมค่ะอาจารย์อ่ดีพยายามรักษาไว้นะสิญปะนี่ยมันเป็นตัววัดความกำลังของเรานะอืะแต่ข้อสามโยมนี่หกปีแล้วนะคะอาจารย์โยมรักดามาอ่าพัมมัจริยานี่หกปีแล้วค่ะออก็ดี่สาธุค่ะ ก็<ด>พยายามาาค่ะกําลังเราสู้ก่เลยได้มากน้อยก็ดูที่ศีลที่เรารักษาค่ะก็คิดว่าถ้าศีลศีลห้านี่โยมคิดว่าโยมไม่น่าจะพลาดเลยค่ะอาจารย์อืมไม่น่าจะพลาดเลยนะคะแต่ว่าศีลแปดก็พยายามอยู่ค่ะแต่ตอนนี้คือต้องรักษาร่างกายค่อนข้างเยอะอยู่รอบนี้แบบหนักนะค่ะอาจารย์เล่นเอาหนักเลยค่ะอืมอ่าต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะที่โยมนํา ข้อสอนของอาจารย์ต่างๆจะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เยอะเลยค่ะอาจารย์อปุ้งก็น้อยลงโกรธกับแ ป, ป๊บเดียวหายไปค่ะแท้จะไม่ค่อยโกรธทุกวันนี้เป็นเป็นคนดีขึ้นมาเยอะเลยค่ะอาจารย์วันนี้ลูากสาวไปไหนอ๋อปุวยค่ะขับมาวันนี้อากาศร้อนมากค่ะอากาศร้อนที่นี่ร้อนมากเขาก็ขับรถตะเวนแล้วแดดร้อนก็เลยรู้สึกป่วยก็เลยขับเข้าไปน้องจริงก็มารออยู่แล้วคะ่ะได้ เ, เข้าไปนอนก่อนค่ะยิมวันมาเช้าที่ฝนตก มันดอกพันใหญ่เย็นสบายวันนี้ที่นี่ร้อนค่ะอาจารย์ร้อนมากร้อนแล้วก็คลุมๆค่ะสามสิบห้าสามสิบหกสมสิบเจ็ดอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงเที่ยงเที่ร้อนมากค่ะยมไม่มีคําถามค่ะอาจารย์จะพยายามรักษาสีแดดให้เร็ววันค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะพักผ่อนจะไปที่คนอ่อนอ่อนนมเดิกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะ วันวันวันเช่าค่ะคุาจารวันนี้ไม่มีรถเขย่าค่ะวันนี้อยู่ที่โตทํา ง, งานเรียบร้อยค่ะว่าอาจารย์เรียบร้อยเห็แต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นชุดอยู่บ้านยังเป็นชุดที่<ช>เสร็จจนนาก ง, งานใช่ค่ะอาจารย์อันนี้ก็ไม่มีอะไรเพียแต่วันนี้พอดีออกไ ป, ไปออกไปงานข้างนอกแล้วก็ก็ก็มีบททดสอบพอดีว่าคู่สนทนาวันนี้ใช้ อารมณ์มากหน่อยกับโยมคือพูดจะแบบเหมือนใช้อารมณ์มากกับเราเราก็จริงๆตอนนั้นก็ดูเลยนะว่าเออเราจะจิตเราจะเป็นยังไงเราก็เรามีสติอ่ะเจอเราก็ไม่ได้โกรธไปตามเขาก็ ก, ก็ก็รับฟังแล้วก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรเมื่อสั้นก็รู้สึกว่าอืมเวลามันมีสติอยู่ดีมากๆเนี่ยเราจะไม่คล้อยไปตามไปกับไม่ว่าเขาจะพูดด้วยคําพูดหรือน้ําเสียงที่พยายามจะจะให้เราโต้ตอบเราก็จะไม่ ไม่ไปยคอยตามกับอะไรแบบนั้นนัน่นลักษณะของคนมีสติมันจะวางเฉยได้เพราะว่ารู้เลยว่าถ้าเราโต้อตอบกลับไปเรื่องน่าจะวุ่นวายกว่านี้มากมทีเดียวครับอาจารย์ใช่ก็ลเลยรู้ว่าเออือเห็นเห็นเลยว่านี่แหละแล้วท่านคือมันมองเห็นท่านะมันมองเห็นว่าอืมนี่แหละเรามีสติในทุกๆการฟังของเขาแล้วก็รู้ว่าอ่ะฟังไว้เท่านั้นแหละไม่ต้องโต้ตอบคือเขาอยากจะแสดงอํานาจ ของเขาว่าเขามีอํานาจเหนือเราบวชเก่งบวชดีบวชเปใช่ใช่ฮะเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไปอยู่ในโพซิชันที่เขาทําได้เราก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ผิดอย่างที่เขาว่าเหมือนว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างเขาว่าแต่แต่โยมคิดแล้วว่าไปโต้เขาไม่ถ้าเราไปโต้ตอบเนี่ยเรื่องยาวแน่ๆเพราะเขาต้องการจะแสดงให้คุณในนั้นเห็นว่าเขาสามารถจะแสดงก็ได้ใช่ใช่แสดงเขาบวชเขาพูดไป ความจริงย่อมเป็นความจริงไม่ได้อยู่ที่คํำพูดของคนใช่มาสันใช่ก็ก็เห็นว่าเออแล้วพอเราเงียบเราก็มันนั่งเราก็ฟังแล้วก็จบแล้วก็มันก็ผ่านไปจริงๆทา้งหมดมันไม่มีอารมณ์มันไม่มีอะไรขึ้นมานะแล้วมันก็เหมือนอดีตผ่านไปแล้วดับจบ ต, ต้องสารเสวารเสวยสารเ <laughs> <laughs> แล้วก็ใกล้แล้วนะอืมวันนี้มีบททดสอบแผนนานๆจะได้เจอสักทีหนึ่งหลังๆไม่ค่อย มเจ <S <S อต้องสะอาตรูอย่างท่านรัวค่ะอือ <c oughs> ก, ก็เลยบอกว่าดีจ ร, จริงๆพอเราฝึกเราเอามันมาเจอโจทย์บ้างที่ยากขึ้นแล้วเราเราเห็นตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าเห็นเห็นประโยชน์ เ, เรารู้สึกดีก็แบบว่าอวันนี้ม <S <S <c oughs> อยมีเ <c> ร <oughs> ื่องมาเล่าให้ระจารยฟังนิดนึงอค่ะดีดี่จะได้เป็นอุทารหอน <c oughs> อ พวยญายมโยมใกันจะได้ยินได้ความไะเตรียมตัวไว้จะได้รู้จักวิธีปฏิบัติกรบบวนการต่างๆยอมหยุดเย็นใช้สูตรสามยอมยอมมากยอมปล่อยให้เขาพูดไปฟังอย่างเดียวหยุดตต้หยุดโต้ตอบหยุดอธิบายหยุดอะไรพอเรายอมหยุดแล้วใจเราก็เย็นสบายฟังเขาได้ อันนี้จริงที่สุดแลย้ยพอเรายอมหยุดความเย็นนี่มันมาเลยท่านคะมันเห็นชัดเลยเพราะว่าเราดูจากลักษณะแล้วมันไม่มีประโยชน์อะคือเขาไม่ได้ต้องการให้เราอธิบายหรือเราพยายามจะโต้อตอบหรอกเพราะว่าเรารู้จากคําพูดดูจากการแสดงออกอ่านก็รับฟังไปแล้วก็ยกมือ่าว้บอกค่ะแล้ใช่หรือว่าเราได้ อมีข้อสอบโดยที่เราอไม่ได้เตรียมตัวเรา <land> ก็จะได้ใช่ค่ะมีข้อสอบโดยไม่เตรียมตัวอันนี้ไม่ได้เตรียมตัวนจริงยู่ดีโขึ้นมาอาอ้าวได้วันนี้เรามีข้อสอบซะหน่อยห น, นึ่งนั่นแหละถึงจะถือว่าเป็นข้อสอบจรง <uous S 1> ิงอะข้อสอบแบบว่ารู้ล่วงหน้ามันก็ทําเตรมมันก็เตรียมไว้ก่อนได<ช>้เตรียมคําตอบไม่ไดอใช่ค่ะจริงก็ก็มี น, นี้ก็เน้นต้องพยายามฝึกจิตเราให้เตรียมรับข้อสอบได้ทุกเวลานาที ใช่ค่ะกับทุกเรื่องกับทุกเหตุการณ์จริงบางที่มันจะโผล่มาแบบอืมแล้วไม่ได้เตรียมตัวจริงๆค่ะอืมมันจะมาทางไหนมันมาได้ทุกทุกทิศทางใช่จากทุกคนด้วยจากทุกคนด้วยใช่ครับอ่านที่เราไม่คิดว่าจะมาก็อาจจะมาได้ใช่จริงๆคนที่ยากที่สุดอาจจะเป็นคนในครอบครัวท่านนะคนที่เราคนที่เราไม่ได้รังเตรียมตัวรับ ใช่เหมือนคนในคราบคนเนี่ยจะยากที่สุดเพราะว่ามันตั้งใกล้ชิดมีความรู้สึกอื่นๆอีกอันนี้ก็จะเป็นบนททดสอบที่ท้าทายที่สุดนะถามแต่ก็หลังหลัตั้งแต่พระอาจารย์บอกว่าเราก็ทําตัวมันเป็นปฏิปีคน<ม>เป็นน้องก็กาจะอยากเป็นพี่เราก็ไม่ความคิดเราเป็นพี่จริงๆตรงเนี้ยดีมากเลยนะหลังจากนั้นโย ง, <ม>งก็เย็นอ่ะเหมือนเราก็คิดว่าเออจริงเราก็เท่าเท่ากันนะเป็นธาตุสีเหมือนกันเลยอืมจริงเราทุกคนเป็นธาตุเหมือนกันมันเท่ากัน่นนาลงไปทด้วย <ale m any> ใอ่ถ้าเรามองว่าเราเท่ากันด้วยท่าแหละมันมันเป็นความมันเปนการที่มองรู้สึกว่าเออเราเท่ากันด้วยท่าแหละฉะนั้นเราไม่ต้องคิดว่าเราเป็นพ <uphold S 1> <ๆ S 2> ี่ของเขาเรามองว่าเออเท่าเท่ากันมันมันได้อีกมุมมองหนึ่งนะท่านเหมือนกับความคิดมันจะถูกอ่เออเวลาเกิดอะไรเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้ยกตัวเองว่าเออเราเป็นพี่เขาแลอย่างท่านว่าเออเราเท่ากันเป็นความจริงความจริงที่ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ในกรอบของสมมุติเนี่ยใช่ค่ะ เราเขานี่มันสูงต่ำนี่มันเรื่องของสมมติใช่ไหมใช่ค่ะเป็นโลกบัญญัติขึ้นมาสมมุติขึ้นมาออันนี้มันเป็นปรามารัดเพราะนักศึกษาก่อนก็ถามเมื่อคืนนี้เขาว่าปรามารัดแปลว่าอะไรอืมอ่ใช่ไมใช่ป ร, า ม, าร<ช>มัตดนี่ก็คือดินน้ํามลมไฟนี่ยคือปรามาัตดตะท่าใช่เขามององี้ดีมากเลยค่ะเขาบอกว่าเพราะนักศึกษาเขาแบบไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนเหมือนกันหมดทุกคนดินน้ําลมไฟเท่ากันหมดใช่ค่ะเอาเป็นอย่างนี้เราเจอ แล้วมันก็จะได้ความเมตตาเข้ามาโดย mm hmm. ปริยายด้วยเหมือนกันว่าเพราะว่าความที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราเหนือกว่าใครเราเป็นเป็นเป็นอะไรที่เหนือกว่าเขาเหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่ว่าจะมองไงก็มองแบบคืเ อ, อเขาก็ไม่ต่างกันก็มันก็เหมือนกันมันก็ให้ความเมตตาลนะเหมือนแฝดเนาะสาแฝดใช่ค hmm. mm ่ะ hmm. ม mm ันสาวแฝดเราเมตตากับ hmm. ต mm ัวเองยังไงเราก็อยากจะเมตตากับเขาอย่างนั้นเพราะมันเป็นสาแฟดเหมือนเป็นธาลุเหมือนกัน อช่ก็มอง่างนี้ก็ดีดีคนนี้จริงเย็นเลยค่ะพระอาจารยเวลาเราได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าอืฟังได้ฟังได้นําไปใช้ก็มันดีมากค่ะพระอาจารยก็ไม่มีอะไรค่ะมีประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยววิคนี้ก็ว่าจะขึ้นไปที่เขากันเลื่อนเลื่อนมานิดนึงอาทิตย์ที่แล้วติดก็เลยมาเลื่อนเป็นอาทิตย์นี้แทนอ่าดีไปเว้ยไเส่อมบาลานเสื่อมบาลานพี่ชายช่ยดีคนเลื่อนบาล ได้ค่อาจารย์วันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะโอเคสบดีไปที่อาจารย์ผมพิรายแก่นนักกนเป็นยังไงบ้างตื่นหรือยังกล่าวมสการพระอาจารย์ค่ะกำลังลุกลังลุกมาค่ะเพิ่งจะลงลงไปเอ็นตัวค่ะกล่านมรสการนี่พอดีอ่าเป็นยังไงยืดออกกำลังออกกำลังใจเออกกำลงปอดหรือว่า ตอนนี้กําลังยืดหลังอยู่ฮน ะ, ะหลังก็เริ่มเริ่มเคล็ดเรื้งเริ่มตึงฮนะได้ยืดหลังได้ก็โอเคนะก็ขยับไปทีละอย่างทีละอย่างอืมอ่ะแหละมีอะไรมันก็ทุกข์ก็แล้วมันถ้าไม่มีก็จะ ไ, ไม่ทุกข์น ะ, ะมันก็มีอะไรทําไปอย่างๆแต่ละวันนะอ่าก็ดีจะ ไ, ไม่เหงาจะไม่จะไม่ ก็ไม่ทุกมืองคะก็อยู่ไปแต่ละวันแต่ละวันค่ะแต่ละโมงไม่ตามมันแต่เพ้าอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นก็เกก็จะไม่ทุกถ้าอยากให้มันเป็นอย่างอื่นมันก็จะทุกได้ก็อยู่มีความสุขทุกเวลาค่ะอืมว่างก็พาไปเดินออกกําลังกายวันละกิ๊กชั่วโมงสีสิบนาทีอะไรอย่างนี้ยนะคะเอได้ค่ะออกกำลังกายได้แข็งแรง วันดีขึ้นเยอะแล้วค่ะมีขึ้นเยอะค่ะแต่ยังไออยู่เยอะมากอยู่ผมใช้เวลาสักพักเงินค่ะอีกเดือนสองเดือนน่าจะน่าจะกลับมาเป็นปกตินะสร้างพลังโอเคมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะไม่มีค่ะการน้ักการไปที่แม่น้องลิน ใชคะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะชัดเจนกลบสาธเเจ้าคะ่ะ mm hmm. ก็วันนี้เข้ามาฟังฟ mm hmm. ังคะ่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ครปัจจุบันปัจจุบันของหนูนะคะในการปฏิบัติะค่ะพระอาจารย์คือ mm hmm. สิ่งที่เห็นนะคะพระอาจารย์ตัวกิเลสมันเหมือนคู่ต่อสู้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ตัวกิเลสกับตัวที่แบบ ฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีอะค่ะคือเหมือนหนูเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะพระอาจารย์ชอบพรีเซนต์พอหนูมาดูตัวกิเลสประมาณว่าอันนี้ก็ดีนะแต่จริงมันไม่ดีอะค่ะแต่ว่าเหมือนแบบพรีเซนต์ว่าให้เราไปทําอย่างเงี้ยค่ะอีกอันนึงฝ่ายหนึ่งก็แบบอย่าทํานะมันจะโลภนะมันจะมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ที่หนูเห็นเห็นของหนูอะคะ่ะพระอาจารย์อืมตัวนี้คือสภาวะจิตหนูแล้วคะพระอาจารย์ อ็ถ้ามีสติมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะเห็นสภาวะของการต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆก็ค่พระอาจารย์หนูก็โอ้หนูมันเหมือนดูชกมวยระหว่างใจต่อสู้กันอย่างเงี้ยพระอาจารย์เพลงเพลงหนูก็บอกว่าโอ้หนูก็ดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยว่าอันหนูจะเป็นแบบไอไอคนที่ตัดสินหรือเปล่าอย่างงี้ยถ้ต่อจะหนูก็คําอะค่ะพระอาจารย์ว่า เอองั้นต้องเชื่อฝั่งนี้สิถ้าไปถ้าไม่เชื่อฝั่งนี้หนูก็ต้องมีปัญหาแน่แนๆอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้ mm hmm. เวเขาจะว่าเราโลภนะหรือ เ, เราเราแล้วเขาจะว่าเราโกรธนะคะเหมือนเหมือนต้องแบบมาเชื่อฝั่งดีอะค่ะพระอาจารย์ก mm hmm. ีเลนมันก็จะพาไปแบบต้องอย่างนี้นะดีมากนะอ้หนูก็เลยโอ้มันมีมันเหมือนดูละครเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์หันก mm ็ hmm. ต้องดูว่็ต้องดูว่าเราไปทางไหนไปตามมันหรือเปล่า เราไปตามมันก็เราก็หลงแล้วก็ยังหลงอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าหนูไม่ไปแล้วเวลาเจอปัญหารอบตัวอย่างนี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ไปผูกกับใครอ่ะค่ะเพราะว่าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ไปสนใจใครอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ยิ่งไปสนใจเหมือนเราไปผูกกับเขาอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยไปไปเชื่อฝ่ายทางธรรมมากดีกว่ามาดูตัวเองมาดูตัวเองอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งไป ไปช่วยผู้อื่นตัวเองยังเอาไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ hmm. ก็เลยได้ตรงนี้อะค่ะแล้ว hmm. ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ hmm. ก็คือส่วนใหญ่ hmm. แต่แบบพระอาจารย์ค่ะเก็บเนื้อเอก็บตัวเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ทําแต่ในสิ่งที่ทําให้เป็นประโยชน์อะค่ะอะไร hmm. ที่ไม่มีปัญหากับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะคิด hmm. คิดแต่ว่าจะทำอะไรมีประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ทําอะไรก็ใจเราต้องสงบ ก, ก็แล้วกันนะถ้าไม่สงบ ก, ก็อย่าทําดีกว่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เนะจ้าค่ะโอเคสาธุค่ะได้สำคัญที่สุดต้องรักษาให้มันสงบสงบ <พอ S 1> แล้ว<า><อ>ใจจะมีความสุขสาธุค่ะพระอาจารย์ค่ะหนูก็เลยบอกว่า ข้อดีของการปฏิบัติธรรมมีเยอะมากเลยค่ะพอหนูไม่ได้ทานยาแก้ปวดหรือยาอะไรเลยนะเจ้าคะ mm ่ะ hmm. มันเป็นความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมค่ะพระอาจารย์ mm hmm. คือมันสุขทางใจมากทำให้หนูแบบมีพลังไปทำงานได้ทุกๆวันเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ไม่ได้มาทรมานต้องทานยาแก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะถึงหนูจะมีปัญหาร่างกายอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. มันเลยบอกโอ้โหพลังเยอะมากเขาจังธรรมโอษฐ์ดีมากหนูเลยบอกว่าโอ้เป็นยาดีไม่มีขายนะอยากได้ต้องปฏิบัติเองข่พระอาจารย์หนูรบหนูอยากหนูเลยบอกว่าแต่ก่อนหนูอยากเป็นดีเทลขายขายาขายอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะพระอาจารย์หนูก็เลยบอกว่าโอ้มันยังไม่มีดีเทลขายพระพุทธศาสนาแบบว่าบอกวิธีการนะคะพระอาจารย์เพราะว่าหนูได้ประโยชน์เยอะมาก คือหนูมีปัญหาร่างกายจนหนูแบบสุขสบายแล้วก็นอนไม่ฝันด้วยค่ะแล้วก็ไม่ทุกข์อะไรเลยนะคะอาจารย์พระอาจารย์ยาก็ไม่ได้ทานด้วยเป็นพยาบาลด้วยอะคะ่ะก็เลยโอ้ดีทุกอย่างเลยพระอาจารย์มันจะสิ่งดีๆเลยค่ะที่ได้มาจากการปฏิบัติธรรมค่ะมีธรรมทำต่อไปอย่าละเม้นอย่าปล่อยวางนะอย่าละเม้นการปฏิบัติต้องปฏิบัติไปรักษาใจให้มีดับความสงบ มีแต่ความสุขาค่ะอาจารย์นนไปที่คุณลูกตานชนบรีลูกตาลวั น, นนี้มีอะไรนะั้นนมั ส, สการค่ะอาจารย์วันนี้ไม่มีคาถามค่ะมาล่วมฟังธรรมกับกลัอาจารย์ค่ะโอเคสสาาไปที่คุ ณ, คณนนสนรนรมาเรแรงวันนี้เข้ามาเร็วนานนะนรม ส, สการพระอาจารย์ค่ะ อาทิตย์ที่แล้วเกือบจะเข้าไว่ได้อาทิตย์นี้ก็เลยรีบมาค่ะพระอาจารย์เข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะแล้วก็จะมาเรียนพระอาจารย์ว่าโยมได้มีโอกาสจะไปปฏิบัติธรรมสาร์อาทิ์นี้แล้วค่ะไที่ไหนไปที่วัดเออไม่ไกลจากที่บ้านเท่าไหร่อ่ค่ะประมาณสี่สิบห้านาทีอะค่ะพอดีว่าเขาตัดโครงการปฏิบัติธรรมสามวันสองโยมก็เลยสมัครไปอ่ะค่ะมีพระอาจารย์มา อ้ามาสอนอ ย, อยู่ที่ท่านเดียวกันเนอยู่ที่ดีอยู่ที่แมริแลนด์ Maryland นี่แหละค่ะ <Maryland. S 2> แต่ว่าก็สงตาที่วัดเนี่ยค่ะท่านท่านปฏิบัติมาทางสายหลวงปู่ดู น, นะคะก็แล้วก็โบสโบสที่สร้างเมื่อเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เป็นโบสถของอตั้งชื่อตามสมเด็จพระยาณสังวร น, นะคะก็ยงเคยไปปฏิบัติเมื่อนานมากๆแล้วอะค่ะแล้วก็ รู้สึกว่ามันร่มเย็นที่นี่ร่มเย็นพอไปแล้วไม่อยากกลับก็แต่นนี่มันก็เป็นสิบปีแล้วค่ะก็ะเขาเปิดปฏิบัติทำโยมก็เลยสมัครไปค่ะวัดจะตั้งว่าเป็นแบบเป็นวันไม่ได้แบบเป็นบ้านเช่าใช่ไหมไม่คะ่ะเป็นวัดเลยค่ะคือตอนแรกอตอนแรกสันก็เป็นบ้านก่อนแต่ว่าเขาซื้อที่ไว้มากเพราะว่าตอนที่เขาซื้อแถวนั้นเนี่ยมันยังเป็นที่ที่ไม่ไม่มีอะไรเลยอะค่ะแล้วตอน ก็ความเจริญก็เข้าไปแต่ว่าเนื้อที่วัดก็มากกว้างมากค่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้ล่มลื่นแล้วก็เริ่มจะมาสร้างโบสถ์เพิ่งจะมาสร้างเมื่อประมาณไม่น่าจะถึงห้าปีที่ผ่านมานี่เองอะค่ะเหมือนว่าในมัณฑายเราเนี่ยค่ะใช่ค่ะพอาจารย์ใช่ค่ะก็ดีแล้วมีที่พักให้โุบาส่งโอบาสิกษาได้พักคนในบา้บานทำเออคิดว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีเป็นวัดที่เงียบมากไม่ได้มีอะไรมากเลยอะค่ะ ก็มีซาแล้วก็มีบ้านหลังนึงซึ่งสมัยก่อนบ้านหลังเนี้ยก็ท่านก็พักอาศัยอยู่ในบ้านอของอุบาสกอุบาสิกาก็น่าจะมันจะเป็นเอเขาจะเป็นเหมือนเป็นห้องเล็กเล็กเล็กๆค่ะเป็นแต่ละเป็นละแต่ละกุฏิหรือยังไงเหมือนกันแต่โยมไม่ทราบว่าคราวนี้เขาจะให้คนไปพักที่ไหนอ่ะะแต่โยมก็เตรียมถุงนอนไปเปื่อยไว้อ่ะค่ะอนีก็อยู่มากอาจารย์ นักปฏิบัติั้งอยู่ง่ายกินง่านอนก็เดินยินกระซายก็ได้นะโยมก็ตั้งใจใช่ไที่สงบที่ <c oughs> ที่ได้ปฏิบัตินั้นที่สําคัญกว่าเรื่องกินเร <c oughs> ืองอยู่จี่ตึง <c oughs> พักทุ่นดงไว้แล้วก็แล้วต้องเอาแบบพักทุ่นดงใช่ค่ะอาจารย์้าไม่ค่คยกังวลเรื่องที่อยู่ที่กินเท่ากับที่ความสงบของสถานที่นะค่ะโ <c oughs> ยมจะตั้งใจปฏิบัติให้มากๆให้ได้มากที่สุดคะ่ะอ า, าจารย์ดีจะสาธุ <c oughs> กลบขอบพระคุณพระเวล า, าน้อยลงไปเรื่อยๆนะต้องเตือนตัวเองนะว่าใ<ช>้านานาขายโยมคนเวลามันหดลงไปเรื่อยๆนะค่ะพาาระอ า, า, าจารย์กลับขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะจุเจุ๊อ่าไปที่เท็กซัสต่อเพิ่งสวัสดกลับมายัางอยู่เท็กซัสหรือยังอยู่ที่อยู่ที่อยอห์นิง น, นะกลับมากพการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกกลับมาเท็กซัสแล้วเจ้าค่ะ ไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ของสามีเรียบร้อยเจ้าค่ะเลยกลับมาแล้วไม่มีคำถามเจ้าค่ะก็มาเข้าตารางเหมือนเดิมโอเคเจ้าค่ะปฏิบัติงานเหมื อ, อนเดิมนะอ่ะอา ค, ค, คุณไาฟอนคุณนาฟอนต่อไม่ทราบชื่ออะไรคุณไายฟนเปิดไม่ได้ั้ม เอากล้องวางนอนได้ไหมจะได้เห็นหน้าเนี่ยมันลองสลับกล้องอ่ะโอเคพ <back> อดีแบ็หมดยมต่อวิสาค่ะพระอาจารย์ต <laughs> ่พอดีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมันไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนค่ะอาจารย์ม<ต>ไม่เอนไวันนี้ไปไปที่วัดที่อยากจะไปลองหรือยังวันนี้ไปค่ะพระอาจารย์แล้วเกิดความ ความไม่เที่ยงค่ะท่านเจ้าอาวาสเป็นสโตกค่ะผ่าจารยนค่ะตอนนี้อยู่ฉุกเฉินอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะทีนี้อ๋อท่านก็บอกว่าถ้าเกิดคือปิดวัดอยู่อะค่ะแล้วทีนี้ต้องแบบก็เลยแบบยังชุลมุนแล้วก็ก็เลยบอกว่าขอขอยังยังยังไม่ได้รับเปลี่ยนแผวค่ะเปลี่ยนแผนด้วยาั่ยเปลี่ยนแผนก็เลยยมก็เลยโอเคไม่เป็นไรค่ะก็อืม เกิดแบบท่านเพิ่งเกิดเมื่อวันเช้าวันจันทร์ค่ะอเกิดการได้ป่วย น, นี้มันไม่มีใครสามารถที่จะไปไปยากรได้จะเกิดเมื่อไหร่นะใช่ค่ะพระอาจารย์โยมปัจจันนี้ไปฟังแล้วก็เลยแบอบกท่านพระที่ที่ที่ท่านก็เลยแจ้งให้ทราบนะคะเราก็เลยทราบแล้วพโอเคแล้วก็คือแบบฉุกเฉินเลยแล้วท่านที่ไม่ทราบว่าจะเล่าได้หรือเปล่านะคะคือโยม คือพระที่ท่านบอกว่าท่านมีสติมากคือท่านท่าล้มที่เข้าไปเรียกพระพระพระเห็นท่านไม่ออกมาค่ะคือผิดเวลาท่านก็เลยที่กุติแล้วทีนี้ก็เห็นท่านท่านเจ้าอาวาสท่านล้มนอนพาดเอาศีรษะพาดออกมาจากห้องน้ำคือคือแต่ไม่มีการกระทบกระแทกอะไรแต่ว่าท่านแบบว่าตัวแล้วก็ ร่างกายขยับเขยื่อนไม่ได้แล้วก็ชัแล้วก็ได้กรอกได้เฉพาะตาค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไม่สามารถตอนนี้ไม่สามารถขยับเขยื่อนอะไรได้เลยไม่ไม่รับทราบอะไรเลยคือแต่ว่าได้เฉพาะช่วงบนนะคะพระอาจารย์เล่าศีรษะยังเคลื่อนไหวได้อยูอ่ท่านบอกว่ารู้สึกว่าที่ที่พระท่านพูดวันนี้คือลักษณะว่า ลืมตาหลับตาได้ค่ะแค่นั้นค่ะก็มีแบบว่าแบอบกว่ า, แบบวาโยมอุปทาหรือพวกหมอที่นี่แบอบกว่าต้องมีการผ่าตัดเปิดสมองแต่ทีนีแบบ้ทุกคนก็เลยลงความเห็นว่าน่าจะไม่อยากจะยืธาตุขันท่านไว้ให้ให้รักษาไปตามตามปกติอะค่ะมไม่ยินว่าอย่างนั้นค่ะเพราะเพราะว่าท่านพระอาจารย์ พูดไว้ก่อนวันที่จะเกิดเอมีมีมีโยมแม่ชีอะคะ่ะเล่าเล่าให้ฟังว่าท่านบอกว่าคือพูดเหมือนเหมือนบอกไวะะอ้อะค่ะพอาจารย์คบอกไว้อะไรเงี้ยแม่ชีก็ได้เล่าให้ฟังแล้วบอกอุตสาธุเราก็เลยแบบว่าอตอนหน้านั้นที่โยมจะไปวัดยานนะคะ่ะก่อนที่จะไปรวมเขาด้วยพระอาจารย์ท่านเจ้าว่าท่านก็ยังบอกโยมว่า ให้มาตอนนี้ไหมมาก่อนที่จะไปไหมท่านพูดอย่างเงี้ยค่ะโยมก็ได้โยมเลยบอกว่าโยมยังไม่สะดวกเพราะโยมจะไปวัดยานแล้วยมเพิ่งมาถึงยังไม่ได้จัดการทุระท่านบอกว่าตอนนี้อากาศกำลังดีนะเพราะถ้าเกิดหลังจากนั้นอากาศไม่ดีนะท่านบอกถ้ามาได้ให้มาก่อนโยมก็เลยว่าเอ๊ะมันมีสัญญาพอมาถึงตอนนี้โยมก็เลยก็เลยว่าโอ้สองอาจจะบางที เหมือนท่านจะทราบอะไรหรือเปล่าก็เลยบอกยาให้ปฏิบัติมาที่วัดก่อนอะไรเงี้ยคืออันนี้ยกคิดไปเองค่ะไม่เป็นไรพูดว่าไม่มีอะไรแน่นอนเอมารีบมาได้ก็รีบมาซะค่ะค่ะค่ะคิดว่าก็เรียกคือก็จะตอบไปแน่นอนจริงๆวันนี้พระก็เลยว่าเอ๊ะก็ไม่เห็นท่านก็มีมีพระอีกรูปอีกรูปขึ้นมาที่ถนนเออแจ้งก็เลยแจ้งให้ทราบยงก็ว่าโอเคถ้างั้น ก็คงจะเป็นครั้งหน้าที่จะมาเพราะตอนนี้เพราะว่าที่วัดก็มีแค่สามลูปอะคะ่ะพระอาจารย์อืมบอกท่านจะอ่าอีกพระท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าคือบางทีต้องติดตามใกล้ชิดแล้วแบบถ้าเกิดรับโยมเข้าไปคือไม่มีใครดูแลก็แบบเพราะว่าวัดไม่มีใครมีแค่สี่คนน่นแหะคะ่ะคืออ่ะแล้ววัดก็อยู่กลางทุ่งะคะ่ะพระอาจารย์ท่านอาจจะโยมก็เลยเข้าใจโยมบอกไม่เป็นไรคะ่ะแล้วถ้าถ้ามีโอกาส ก็คงจะได้ไปอะไรเนี่ยค่ะก็เราดูไปก่อนตอนนี้เราก็ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ค่ะปฏิบัติที่บ้านก็ได้ไ ม, ม่ที่ไหนไปค่ะแต่แต่โยมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่อยู่ค่ะโยมก็เลยคิดว่าน่าจะไปสถานที่ปฏิบัติธรรมที่โยมที่เคยไปก็คนเยอะอยู่แต่ว่าเขาก็แยกแยกยัง ยังให้แยกแบบว่าใครที่ปฏิบัติเองเขาก็ให้แยกไปอยู่ค่ะโยมก็ว่าจะไปวันศุกร์นี้ค่ะเอออเกลับมาทันทีต้องเอาเอากำไรให้มากมากต่ออาจารย์ได้น้อยก็เอาดีกว่ า, าไม่ได้ก็ เ, เลจะกลับเมื่อไหร่กลับกลับวันที่สิบสี่เมษาค ร, ครับอาจารย์อืก็เลยก็คือว่าเดี๋ยวจะไปอีกเจ็ดวันเพราะเขาให้มากสุดเจ็ดวันก็ได้เจ็ดวันแล้วออกก็พอดีถึงสิ้นเดือนก็สิบวันเลย ถ้าสิบวันที่เหลืออ่าสิบกว่าวันที่เหลือก็อยู่ที่นี่ค่ะก็อยู่กับคุณพ่ อ, อคุณแม่ mm hmm. อ้าก็เลยคิดว่าอย่างนี้ก็โอเคดีได้ให้ให้มากที่สุดอย่างที่ป้าจามบอกแต่ก็ <Okay. S 1> ได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมคะป้าจามใช่โอเคนะค่ะไม่มีอะไรคะระ <Yeah. S 1> ่ะป้าจามอันนี้ไป <Yeah. S 1> นะดีคุณน้ำหวานตาน้ำหวานใช่ มาตามมาตรการค่ะพระอาจารย์อ๋อตอนนี้ทํางานอยู่ที่กรุงเทพค่ะแต่ว่าอยู่ระยองค่ะค่อยชอบมาไม่เคยค่ะเข้ามาครั้งแรกหนูเป็นเพื่อนกับน้องตามดิษยาค่ะน้องณิษยาค่ะน้องดิษยาดีเพื่อหลายคนนะก็วันนี้เข้าเข้ามารับฟังธรรมกับพระอาจารย์ค่ะ ไม่มีคําถามนะเอ่อคือถ้าหนูอยากจะเริ่มปฏิบัติควรจะเริ่มยังไงคะคอาจารย์ถ้าเริ่มสมาธิก็เริ่เริ่มรู้ที่สติก่อนถ้าอยากจะปฏิบัติสมาธิก็ต้องฝึกสติให้มากๆพยายามฝึกพุโทโธพุโทโธไปในช่วงที่เราช่วงที่เราทานู่นทเนี่ก็ให้มีสติคอยควบคุมใจอย่าให้ไปคิด ลองฝั้งแต่เริ่มตาขึ้นมาเลยเป็นขึ้นมาแล้วพุโทโธพุโทโธไปหรือจะค<ข>อยเฝ้าใช้ชภาวนาพุโทโธอหรือว่าจะคอยเฝ้าดูว่าล่างกายเรากำลัลงทำอะไรอยู่ก็ได้เพอไม่ <ขอ S 2> มให้ใจ<ข>อลอยไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พยายามควบคุมความคิดให้มากที่สุดท่านพี่จะทาได้แล้วพอรเราแล้นั่งสมาธิก็นั่งหลับตาแล้วก็ใช้พุโทโธก็ได้ไม่ใชใช้ดูลมหายใจก็ออกก็ได้ดูที่ปลายจมูก ตอนนั้นแหละนั่งเฉยๆให้มันคิดอถ้ามีอะไรให้มันดูมันก็จะไม่คิดถ้ามีดูมมีเราไม่มันดูมันก็จะไม่คิดถ้ามันคิดก็อย่าไปตามมันกลับมันดูที่ลงาในถ้าเรามีพุทโธก็ไมีพุทโธมันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เอถ้าทําำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะนิ่งจะสงบตอนนั้นแหละง่ายๆไม่มีอะไรยุ่งยากลองทําดูนะ ขอบคุณค่ะมีเท่า น, น, นี้ค่ะโอเคจ้าที่ไหนที่น้องออาคุณออาวบอกเวียนว่ายยังไงในมณสการค่ะไม่มีคำถามค่ะจะเดินทางเมื่อไหร่วันที่6เมษายนค่ะอาจารย์ อ, อยังอีกหลายวันอยู่นะค่ะไป่วั น, น2องาทิตย์เหรอค่ะวันเสาร์นี้ไปจำศีลค่ะอ่าเด ไปทำข้อสอบนะไปตรวจทดสอบดูว่าที่ทำมาหมดไปหรือยังเริ่มอ่อนแล้วค่ะพระอาจารย์เลยต้องไปเสริมกำลังตอนนี้ uh, <okay. S 2> สู้ไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าพอดีมันมีต้องเตรียมตัวเยอะมันก็เลยไม่ค่อยได้นั่งสมาธิปัญญาก็เลยแบบป่อนมากค่ะโอเคค่ะ ขอบคุณค่ะหนูนตัวก็ดีจะได้ไปยาวเพ <c oughs> ิ่มฟูเพิ่มฟูสริมปัญญาขึ้นมานะค่ะค่ะต้องไปเสริมกําลังก่อนค่ะโอเคค่ะค <Okay. S 2> ่ะ ข, ขอบคุณค่ะสวัสดีคุณนิสาเอวเอเอกลับนมัสการทางพระอาจารย์อยู่ส่วนไหนของเอเอนี่ยอยู่อยู่ยมันที่บ้านลูกเรียกว่ามิสซิบิดสิ ตีอะค่ะฟ้าอาจารย์อยู่อยู่ติดกับเอ่อมันใกล้กับโครเรียนทาวน์ค่ะฟ้าอาจารย์กับเแต่ก็ใกล้อ่ะค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ติดแค่ที่เดียวค่ะไปทางไห้ไปทางตะวันออกหรือตอนอกหรือทางใต้อยู่ทางเอ้ลูกก็ไม่ค่อยมันจะทิศทางรู้อยู่ตรงกลางอะค่ะฟ้าอาจารย์ใกล้ดาวมันจะอยู่ของลูกภาจารย์ไปทางใต้หรือไปทางตวันออก ไปทางตายค่ะไปทางใต้ทางฮารร์ฟีอวอร์ น, นั่นน่ะค่ะใช่ อ, อ๋อไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะอยู่ตรงอยู่ตรงเอออย่ายงนี้มันก็ต้องมาทางเออไม่มั่นใจทิศทางค่ะลูกจะอยู่ใกล้กับเอ่ามันจะมีซแตนตานโมนิก้าคาวเวอร์ซิตี้ลูกจะอยู่ขอบคาวเวอร์ซิตี้อะค่ ะ, คะอาจารย์สแนตานโมิก้าก็ไปทางตะวันตกมาค่ะค่ะใช่อ่อตะวันตกค่ะอาจารย์อยู่ใกล้กับใกล้กับ ไม่ไกลกับกับซานตามาเนกค่ะอจซานตามาเนกมันก็เกี่กบชติทะเลแล้วนีอค่ะฮวาจันรูล้ลูกมันจะมีซานตามาเนกาแล้วก็คาเวอร์ซิตี้ของของบ้านลูกบ้านลูกเนี่ยจะอยู่เขาเรียกอยู่ขอบคาเวอร์ซิตี้อะค่ะฮวาจันติดกับคาเวอร์ซิตี้ค่ะกอนจะเข้าใจนะฮะลูกเคยมีร้านอยู่ที่ซานตามาเนกาแต่ขายไปแล้วค่ะร้นานอาหาเนี่ยนนหนึ่งร้าค่ะร้านอาหารขายดีไหย ขายดีค่ะอาจารย์อาหารไทยนปปูล่ามากนที่อเมริกาเออค่ะลูกขายอาหารไทยแล้วมีเมนจะเป็นซูชิค่ะอ่าก็ขายไปแล้วค่ะอ น, นี้ไม่ต้องไม่ต้องทํามากินแล้วสบายนะไม่สบายค่ะก็<อ>ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำเพราะว่าลูกก็ที่เค ย, เคยบอกพระอาจารย์อาจารย์อยากกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วค่ะพระอาจารย์ แต่ว่าก็คือทํามาเยอะแล้วค่ะอาจารย์มันวนกับพ อ, บอมีพอกินแล้วนะค่ะค่ะอาจารย์นะคิดว่าน่าจะอยู่รอดค่ะอาจารย์ยคือค่าวอาจารย์ก็เหนื่อยแล้วค่ะอาจารย์อยากกลับ ไ, ไปถ้าไม่ฟุง้ฟงเฟ้อก็อยู่แบบธรรมดาก็อยู่ได้สบายนะค่ะอยู่ได้ค่ะอาจารย์แล้วอยู่เมืองไทยก็ไม่ไม่ต้องใช้เงินเยอะค่ะอาจารย์คงอยู่คงไปอยู่แบบ อยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วค่ะไม่กลับไปอยู่กรุงเทพแล้วอะค่ะอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์มาร่วมรับฟังเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ก็ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะอาจารย์สุขสติรักษาใจอะค่ะก็มีใจแบบใจกระเพื่อมใจแบบมีบ้างค่ะพระอาจารย์ก็มีตอนกลับไปเมืองไทยมันก็มีเรื่องเยอะค่ะพระอาจารย์มันยัง มัน<ห>ยัง<ห>มีกับเป็นปัญญามาช่วยนัวอย่างเป็นอนัตตาค่ะพระอาจารย์ก็พยายามนึกถึงที่พระอาจารย์พูดว่ามันให้อยู่กับปัจจุบันค่ะมันผ่านไปแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะ ส, สาธุค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์รักษาธาตุแห่งนะคะอะไปที่คุณมาิกาอาที่ว่า กับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็การปฏิบัติตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะพระอาจารย์ที่พูดกับพระอาจารย์ว่าลูกจะเริ่มในการปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาแต่พอได้ปฏิบัตินะคะพระอาจารย์ก็มันดีขึ้นนะคะพระอาจารย์พาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็เราก็พุโทโธพุโทโธถึงว่าจะหลุดไปบ้างหายไปบ้างในบางช่วงจังหวะแต่ว่า เราจะมีความสุขมากเพราะว่าซักผ้าได้กับมือกับอาจารย์ขณะที่ว่าขยี้ขยี้ข ย, ขยี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขมากเนะี่พูดโธพูดโธแล้วเลยได้คุยกับลูกศิษย์ที่สุธินเนะี่ยก็ก็โทรมาก็เลยคุยกันว่าการปฏิบัติแบบนี้แน่นอะนลูกแบบมันฝึกการฝึกสติด้วยนะครับอาจารย์ก็ทําให้เราจิตใจนั้นมั่นคงมากขึ้นแต่ว่ามันก็ถูกแบบทดสอบนั่นแหละครับอาจารย์ก็ ไปงานศพก็ไปเจอเพื่อนก็ทําพูดบางครั้งนั่นเขาทําให้เราแบบอืม้อเหมือนกันแต่ว่าก็ก็ทําได้นะคะับอาจารย์แต่ว่าก็ก็ก็กกกยังแบบแบบตะกิตตะแบบเนี่ยนะน้อยน้อยใจในคําพูดของเขาอะไรแบบว่าเขาพูดไม่เพราะเขาพูดไม่ดีกับเราแล้วะอาจารย์ต้องต้องทํำยังไงครับอาจารย์ที่ทําให้แบบเราเราทันมันอะ่ะ กับคําพูดอ๋อก็ต้องคอยมีสติคอเตือนใย่ว่าเขามาเขาจะพูดดีก็ได้เขาพูดไม่ดีก็ได้เขาจะชมก็ได้เขาจะด่าก็ได้แบบโทษนะคะพรอาจารคือเพือ่อนคนนี้นะคือเขาจะพูดแบบกระแนงแน่งหรือว่าพูดในต่อหน้าเวลาเพื่อนมากๆเวลาไปอยู่เดือยเพื่อนเพือ่อนเหมือนว่าเขาก็ยังเป็นเป็นข้าราชการอยู่นะเรากเกษียณแล้วเร่นี้ก็ ก็จะเป็นาเพืนมากๆากก็จะพูดแบบนั้นแหะแต่ว่าพออยู่กันสองคนเขาพูดดีอืมก็ใครรู้ก็รล้แต่ว่าเขาก็เป็นอย่างนี้ไม่แน่นอนค่ะคอเราไม่ควกคุมของเขาเขาไม่ได้ไม่ใช่นะใช่ครับอาจารย์แล้วก็ต้องเตรียมนับกับทุกรูปแบบของที่เขาจะแสดงออกมาทนั้นเองใช่ครับอาจารย์แต่ว่าก็แต็มมันพอพอกลับมาแล้วพอแต่พอแต่เขาแสดงว่ามีกิเลสแล้ว ไม่ตาย ไ, ได้ไงพ อ, อ, อตายก็แสดงว่าอยากเราอยากให้เขาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้แล้่ะปล่อยเขาพูดไปเถเข้าหูซ้ายออกหู ข, ขาวามก็จบแล่ะจะไ้เต่ามาแบบให้มนหนักของนหนักใจทำไมก็มันก็เป็นแบบนี้นะค่ะบ้านดานก็ก็ข้างแรกก็คิดว่าอืมเราจะไม่ไปเราจะไ ม, ไ, ไม่รถไปรถคันเดียวกั บ, กบเขาก็าเพอเอิญว่า เพื่อที่สุขินเนี่ยเขาทําคะแนนยังไม่เสร็จดังนั้นเพื่อนเขาอยู่ประดานี้นะคะพเจาในที่นี้ก็ก็ต้องมันขึ้นรถคันเดียวกันน่ะพเจ้าเนี่ยโอ้โหขึ้นก็ขึ้นเลยขึ้นก็ขึ้นไปไมมีปัญหาก็อยู่ที่ตัวเราแสดงว่าเราไม่อยากจะขึ้นไปกับเขาก็ความอยากของเราเองใช่พเจ้า ก็เลยก็เลยคือว่าพระอาจารย์ว่านี่เลยเนอะที่ว่าบางครั้งเราจะหนีมันก็หนีไม่ได้แล้วก็หนีหนีไม่ได้มันก็ต้องชนอยู่ดีนั่นะคือการแบบถูกแบบทดสอบอย่างแบบเออเหมือนกันคระอาจารย์ก็เออแล้วก็ก็โอเคค่ะอาจารย์ก็ได้นึกถึงพระอาจารย์อยู่ว่าพระอาจารย์ก็พยายามที่จะอดทนฝึกสติสตินะอุเบกขาอเบกขาไวช่วยวางเฉย ครับหนั้งยังไม่เฉยยังยังมีต cool ัญหาความอยากอยู่ตรงนี้ความอยากไม่เจอหน้าเขาไม่อยากจะอยู่ใกล้เขาพอต้องอยู่ใกล้เขาก็เลยทุกข์เป็นใหม่แต่เรื่องของจิตใจในการออกฟังทำฟังอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันจะมันจะซึ้งมันจะแบบไม่ฟุ้งเหมือนกแต่ก่อนมากครับอาจารย์เพราะว่าการที่ว่าพอเราได้มาฝึก ทือว่าตลอดเวลาก็ทําให้จิตตรงนั้นมันจะดีขึ้นเยอะดีขึ้นดีขึ้นเยอะๆมากเราจะปล่อยวางลงเราไปใจเนาะจิตเราจะไม่กระเพื่อมจิตเราจะเฉยๆสัมผัสรับรู้อะไรก็สักแต่ว่าลู้ไม่ไปนะเจ้าข้าพเจาอาจารย์อย่าไปมีตัณหาความอยากเพราะอยากแล้วใจมันจะทุกข์เป็นบานทีค่โอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะอาจารย์สาธุดนะคะ มไปไปดิบุรีโอพีเคภูเก็ตน้องกับนัวัตกธรรมพระอาจารย์เจ้าค่ะอะไรไรมีอะไรไหมเสียงเบาไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เบาหละพอใช้ได้ก็ลองผ่อนผ่อนยืดหยุ่นอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เรื่องขนมแต่ผ่อนต้อ พอีว่ากาดใจอะไรยะกกิเลสนหนึ่งเด็กกลับมาเอาใหม่จ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็อยากเกฑใจคนเกณใจคนทำ่าแหลมได้จ้าค่ะรไปปิัติจ้าค่ะพระอาจารย์ทนนี้ก็ผ่อนอาหารดื่มจ้าค่ะพระอาจารย์อดทานมีตอนเช้าที่บอกว่าอยากจะลองไปหยิบน้ำอ้อย เป็นก้อนไหนเจ้าขาพยาจารย์มาทานแต่ก็ไม่เอาดีกว่าวันนี้มันดื้่อเรลองลองจะนั่งให้มันเจ็บแล้วให้มันผ่านแต่มันก็ยังไม่ได้แต่มีวันนี้สู้กันไปสามยกเจ้าพยาจารย์ตกตัวเวทนาตอนนั่งเนี่ยอย่านั่งเฉยๆเวลาเกิดเวทนาขึ้นมาเราต้องใช้คำรณีกรรม อันนี้จังบริกรรมอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาไปกันเลยอันนี้จังทุกครังอนัตตาถ้าเบื่อพูดถกอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาอือก็ค่ะมันมันมีมีอยู่ได้ด้วยแป๊บเดียวในจัารพรรดจารย์มันมีเป็นบางช่วงถี่ ว, ว่าเป็นคนดูแต่และแล้วก็ลงไปแสดงกับเขาอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอือมีมีช่วงคนทำถ้ามไปเป็นร่างกายไม่เลยเป็นใจก็ค่ะ มีช่วงที่ฟังธรรมจากท่านอาจารย์เจ้าค่ะเจ็บมากแล้วทีนี้พอฟังธรรมจบแล้วก็นั่งต่อจะมีขยับนิดนึงแต่ความเจ็บมันยังอยู่นี่สิค่ะอาจารย์พอพอนั่งไปชักพักเนี่ยก็คือยอมยอมให้มันเจ็บอะไรเงี้ยสิค่ะอาจารย์แต่เหมือนใจมันต่อต้านว่าเจ้าค่ะแล้วทีนี้พอพอจะยอมไปเรื่อยๆเนี่ยมันกระตุกสิค่ะอาจารย์เหมือนบางทีขากระตุกแขนกระตุกอะไรเงี้ยช่วงช่วงที่บอกว่าจะยอมเนี่ยขากระตุกก็เลยบอกว่ายกขาที่มาอะไรเงี้ยสิค่ะ กันเลยโดนโดน็อกไปเรียบร้อยอย่าไปยบยบต้องปล่อยนํากายไว้อย่าไปอย่าไปแตะต้องนางกายปล่อยให้นางกายมันอยู่ตามสภาพของมันไปอนะคะเดี๋ยวต้องเอาใหม่จ้าค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีจ้าค่ะถ้าถ้ากําลังเรายังมีน้อยอย่างงี้เจ้าค่ะอาจารย์ไปใช้พุทธใช้บริกรรมไปช่วยนี้เจ้าค่ะ การบริกรรมนี้จช่วยให้เราเปสติมากขึ้นจ้าค่ะคืออยู่อยู่กับคําบริกรรมได้แป๊บๆเจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็มันจะดึงให้ไปคิดว่าเฮ้ยมันอันนี้จังทุกขังอนัตตาอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอางทีรเราไปเพ่งดูไปเพ่งดูเลยนี่จ้าค่ะอาจารย์ไปเพ่งก็บริกรรมอนนี้จังทุกอย่าไปเพง่งยิ่งเพ่งวันเดี๋ยวก็ยิ่งยิ่งอยากยิ่งอยากให้มันหายใหญ่ถ้าทําเพ่งแบบถ้าเพ่งแบบไม่อยากก็ได้แต่ถ้าเพ่งเราไปอยากให้มันหายมันก็ยิ่ง นี่อยากจะลุกขึ้นทันน่าจะค่ะพระอาจารย์เพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเข้าชั่วโมงที่หนึ่งใกล้ๆถึงชั่วโมงที่สองประมาณนี้ยค่ะที่ลูกผ่าการเนี่ยนะคะอพอจะเข้าชั่วโมงที่สองเนี่ยมันจะเจ็บมากเลยจ้าค่ะมันก็ว่าอย่างลูกเนี่ยจะเจ็บตรงหลังเท้าอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะคือจะเจ็บตรงนั้นมากมันเหมือนกับว่าเราก็ว่าอย่สนใจอย่าไปสนใจนอย่าไปสนใจคะพะอาจารย์จะ ค, คะคะแล้วอย่างนี้อถ้าพิจารณาว่ามองมอ ง, มองร่างกายพยายามพิจารณาว่าร่างกายเป็น ซากศพที่เขาเอาไปเผาไปอยาใช่ไหคะะอาจารย์ก็ลองทำดูสิถามมันวทำไมก็ลองทําดูเลยทำได้หรือเปาแล้วมันกําลังมันก็ยังมีน้อยใช่คะะอาจารย์ก็กลับมียกกำลัง่แรกแรกมันก็เหมือนจะยอมรับใช่ไมคะแสดงว่าสติเรายังกําลังน้อยก็กลับมาบริกรรมก่อนนช่ไหมคะแล้วเหมือนช่วงเนี้ยเวลานั่งนั่งฝึกสติเจริญสตินี่ใช่ไหมคะพระอาจารย์ู็จะสังเกตว่า ค อ, อเนี่ยเริ่มเริ่มเกริมลงอย่างนี้แปลว่าขาดสติใช่ไหมจ้าพระอาจารย์เริ่มเอ e ีย e งอย่างนี้วางอะไรอยู่จาา้าค่ะพยายาไปสนใจมันก็แล้วกันให้กับมการําที่ใจเราต่ออือกอพยายามต่อไปจ้าค่ะพระอาจารย์ <laughs> โดนไปโดนน็อคคือพยายามจะขึ้นปสองจ้าค่ะพระอาจารย์ยังยังซช <ทำ S 2> ัน<ำ>้นอยู่ทำไปเรื่อย ๆ, ๆเดี๋ยวมันก็ได้อนะคะ ครับเขาก็คือเป็นอยาสมเจ้าค่ะอาจารย์ุเจ้าค่ะทุนทนทานี่แนนอุดรแน้องไม่ไปไกลค่ะอาจารย์ไม่มีคาถามค่ะไปวัดป่ามนตัดบ้างไม่ช่วงนี้วัดป่ามนตัไม่ได้ไปค่ะแต่ว่ารูปไปไขบาที่วัดป่ามนจิกถูกอาทิตได้ค่ะมันจิกเนค่ะไปไข่ถูกอาทิตค่ะมันจินี่มันไปทางเดียวัตัใช่อยู่บักทา วัดตอนวัดจิไปทางสนามบินเจ้าค่ะสนามบินเจค่ะใช่ค่ะไปใส่ถ้ป้าทิดเจ้าค่ะมีตรงปูเหรียนค่ะเป็นเจ้าอาวาสค่ะทยค่ะไปเทยแค่มที่งานมีพระอาจารย์ลงศีลอะไรแบบนชื่อพระอาจารย์ใช่ค่ะใช่ไหยใช่เจ้าค่ะลงศีลค่ะตอนนี้ท่านก็ท่านไอยู่อินโดไม้่ ใช่เจ้าค่ะแล้วก็มีหลวงพ่อหมุนค่ะหลวงพ่อหมุนก็อยู่ออสเตรเลียค่ะนะคะอ่าโอเคค่ะอะไรที่คุณตายพัทยาวันนี้ว่าน้องกับมัสการคระบาจารย์ค่ะวันนี้ว่างก็ไม่ว่างนะคะพรอาจารย์ค่ะก็ยัง กระท้อนกระแท่นเหมือนเดิม น, นะคะอาจารย์ยังไปไม่ได้แห่งไหนค่ะทําไ ม, ะมนะก<ำ>็ทำน้อยไปอใช่ค่ะสติตระตังก็ยังไม่มีค่ะพอาจารย์คอยย้ำ ค, ค, ค, ค่คอยควบคุมความคิดหยุดความคิดคอยพุทโธพุทโธบ่อย ค่ะพระอาจารย์คะถ้าโยงไปทําบุญเอกับวัดแต่ว่าไปเอาดนตรีมาเล่นเพื่อที่จะให้เหมือนเหมือนวัดบ้า น, นะคะพระอาจารย์ยงทําได้แล้วมันผิดมากไหมคะเราไป ท, ทําที่ถ้าวัดข้าวนี่าก็คือมันมันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปทําที่วัดค่ะคือทําบ้านบ้านเราอย่างเงี้ยบ้านงานเนี้ยค่ะแล้วก็แห่ไปที่วัดอย่างเงี้ยมันมันผิดนะคะพระอาจารย์ แต่ว่ามันเพิดก็ผิดแต่ว่ามันไม่เพิดก็ไม่เพิดคือมันเป็นธรรมเนียมของทางโลกเขาใช่ไหมเขาก็าจัดพลังงาน<ช>อาขาา<ช>อขงก็มีอะไรก็ต้องมีมีส่งมีเสียงมีอะไรแต่ถ้าท<ช>่าน ถ, ถ, ถ้าผู้ทางธรรมมันก็ผิดทางธรรมมันต้องการความสงบกายวาจาใจเวลาเข้าวัดสํารวมกายมาจาใจแต่ว่าอันนี้ไปยมก็แบบว่าให้เข้ามาที่บ้านแล้วก็ เหมือนกับว่าอมันเป็นสังคมทางนั้นนะคะวัจาจันย์มก็เลยเอามาเอามาแล้วก็เห็นไปวัดภาษาโน ก, ก็ถือไปพ อ, อจะเข้าวัดก็หยุดกันแล้วกันพอ<ช>ถึงเข้าว<ช>ัดเวลาเร า, าทางก็ทําไปตามภาษาของโลกได้พอเข้าเขตว่าก็ควรจะไม่ให้ความเคารพ ก, กับสถานที่ใช่ค่ะยอมก็จะเป็นประมาณว่าให้เขาหยุดไปเลยห้ามเสียงดัง ว, ว่าจะเข้าวัดแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะได้ไ ด, ได้อะไรว่าอ ต่ถามพระอาจารย์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโยมจะไปทอดผ้าป่าแล้วก็ที่วัดอีกวัดหนึ่งไปสองงานค่ะโยมทำมเอาผ้าป่าไปทอดทำโซลาเซลล์ให้วัดค่ะ<ม>แล้วก็อีกวัดหนึ่งเขามีงานปอยดวนวัดบ้านแม่ค่ะเขามีงานฉลอง<ม>ฉลองสาล า, ลายมก็เอาเอาไปที่วัดนู้นด้วยสองวัดอาทิตย์นี้โยมก็เลยจะไม่ได้ไปไปวัดฟังธรรมที่น่ากุติค่ะ ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าบางวัดเขาอยากอาจจะอยากให้ส่งเสียงดังก็ได้เพราะบางวัดเขาชอบเสียงดังมันก็ลองถามเจ้าอากาสเขาดูว่ายาอะไรไหมม่ค่ะแต่โยมทําหลายครั้งแล้วล่ะค่ะแต่ว่าไปหยุดที่หน้าวัดจะไม่ให้เสียงดังห้ามเข้าวัดด้วยห้ามบนที่เข้าวัดด้วยโยมสั่งงเองเอก็ดีก็ดี เ, ดเราเร า, เรามีธรรมะเรารู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะว่า แต่ยอมก็เพียงใยากจะเรียนถามผู้อาวุโสว่ายมจะผิดหรือเปล่าก็เลยเพื่อความสบายใจในการทําบุญของยอมว่าเออถ้ามันไม่ผิดมากก็จะทําทําต่อไปอย่างนี้เพราะว่าทางโน้นเขาจะชอบแบบนี้ยมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรก็ไม่เหน็บบากกรแลงก็ทําให้เข้าไปค่ะก็ไปทำเนีงยบางท่านเขาทํางานเขาก็อยากจะมีให้มีการสังเฮฮาสังขวางงานสนุกสนานกันค่ะ ก็ตอนนี้ก็รักษาศีลก็อยู่ที่ 4.7 ลเค่ะพราจารย์มันหายไปข้อ7นะคะอ่าก็ยังดีไม่เป็นอะไรทำไปได้เดี๋ยวท่านโอเคสาธุสาธุพระอาจารย์ก็่งุมทนาบุญด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะพ่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะไม่มีอะไรรักษาอะไรนี่คุณหน่อยชัยันนิด าการมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงได้จใจชอบเหมือนเดิม <c oughs> คือหน่อยลองทําอย่างนี้ดูครับอาจารย์เมื่อวานหน่อยกินข้าวเย็นนะคะแล้วทีนี้ก็เลยนั่งนั่งสมาธิอ่าเหมือนกับสวดมนต์สองรอบอะค่ะแล้ววันนี้ก็เลยบอกว่าถ้ากินข้าวเย็นอีกจะสวดสามรอบไม่หิวเลยค่ะไม่หิวอะไรเลยตอนนี้ งงเหมือนกันก็คือเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าพอนึกจะนึกถึงพระอาจารย์พูดว่าถ้าปฏิบัติก็คือเหมือนนั่งสมาธิอ่ะมันทํายากกว่ารักษาเสียแล้วค่ะเนยก็เลยเนย ก, ก็เลยงงตัวเองว่าทําไมถึงไม่หิวก็ยินกินแล้วมันจะไปหิวได้ไงถ้าไม่กินมันถึงจะหิวเลยกินก็คือกินตั้งแต่เมื่อวานนัแหละค่ะแต่วันนี้ยวันนี้ไม่กินวันนี้ถึงไม่ไม่กินข้าเวเย็นแล้วไม่หิวอ่ะ ไมเหี่ยวก็ไม่แน่หรอกกิเลสบางทีมันก็บางทีมันก็เบื่อเบื่ออยากยากอ่ะก็คือว่าเหมือนกับเขาเขาเขาก็คงไม่อยากให้ปอ่าเหมือนกับนั่งรมาธินานอะไรอย่างเงี้ยจ้ะค่ะว่ากิเลสกิเลสเนี่ก็มีลูกเล่นเยอะแล้วก็เราอย่าไปหลงมันตามมันเราต้องมีมาตรการของเรายึดเหนี่ยวตามมาตรการของเรา จริงๆเหมือนกับวันสองวันที่ผ่านมาจิตใจว้าวุ่นมากเลยเจ้าคะ่ะลืมลืมแบบลืมสติที่พระอาจารย์บอกอะเจ้าคะ่ะแล้วทีเนี้ยก็พอนึกได้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่อ๋อกำลังอาล้างทามอยู่ก็แบบเหมือนทกติกลับมาเจ้าคะ่ะก็เหมือนดีขึ้นเลยเจ้าคะ่ะไอ้ที่ว้าวุ่นหายไปเลยเจ้าคะ่ะอ่ก็ดีแสดงว่าได้สติ ตอนที่ไม่ได้อ่ะค่ะอาจารย์ไม่รู้ทําอะไรไป ม, มั่งด่าใครไป ม, มั่งก็ไม่รู้แล้วแบบพอมันรู้ตัวสตินี่ยเอา้าคือแบบขาดสติไม่ได้เลยเจ้าข้าอาจารย์แต่ว่าหน่อยอ่ะชอบลืมมีวิธีอ่ะขอวิธีหน่อยได้ไหมเจ้าข้าอาจารย์วิธีอะไรวิธีไม่ลืมสติใช่ไหมก็ถามตัวเงเรื่อยๆตอนนี้เรามีสติหรือเปล่า อ, อ่อาหน่อยอ่ะหน้าจอโทรศัพท์หน่อยอ่ะคำว่าสติแต่พอดูหน้าจอกูแมันมั น, มนไม่ได้นึกถึงสติเลยเจ้าค่ะให้นึกถึงว่าถามตัวเองใช่ไหมเจ้าค่ะถามตเองตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังมีสติหรือไม่เจ้าค่ะถาม<ก>บ่อยบ่อยค่ะก็มีประมาณนี้เจ้าค่ะในจะ ได้สินแปดหลังสี่ทุ่มเนี่ยสคะแน่นอนออนอนไม่ต้องรักษาสินทักข้ อ, อเวลานอนเนะค่ะวันนี้น่มีคำถามประมาณนี้จ้ะค่ะโอเคดีไปที่คุณยศสวัสดีเป็นเพื่อนคุณอิศยาเหมือนกันเนี่ยรู้จักคุณน้ำหวานปะกก า, ร, า, า, า, ารู้จักค่ะก็เรียนพร้อมกันละค่ะพราจา แต่แค่หนู<อ><อ>แก่ถึงเชนะ้าเพราะว่าหนูจบปีนาฏีแล้วหนูทํางานก่อนค่ะแล้วถึงมาต่อท่อค่ะอาจารย์ค่ะก็วันนี้ไม่ไม่มีอะไรค่ะอาจารย์ก็ฟังทุกคนมาเรื่อยๆอาทิตย์ที่แล้วอรืระบบน่าจะมีปัญหาหนูเข้าไม่ได้แต่ข้อดีคือหนูหนูก็เลยได้ฟังทุกคนเลยค่ะเพราะว่ารอจะเข้าไม่ได้ค่ะอาจารย์จน ได้ฟังครบหมดเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นั่งฟังมาเรื่อยๆก็ของคุณ อ, อ, อ๋อยอานงดีมากเลยค่ะพระอาจารย์ที่สนธนากับพระอาจารนะคะช่วงนี้หนูก็โดนกิเลสตีแตกไปเจอจเลยค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ทาจรองบอกว่าก็ให้ถามเต็ม ว, ว่ามีสติไหมอะค่ะเพราะว่าก็ไม่มีแล้วแต่ก็จะใช้คําถามนี้ดึงตัวเองไว้เรื่อยๆค่ะพะอาจารย์แล้วก็ฝึสนธนาเต้มค่ะอืมค่ระอาจารย์แล้วมีโครงการจะไป ไปเว่ยเครั้งรืยัมีค่ะอาจารย์เดือนนับเดือนใช่ค่ะเมษาค่ะอาจารย์อ<ม>พยายา ม, มต้องไปให้ได้ค่ะแต่ไม่อยากพูดเยอะเดยพูดเยอะแล้วอดไปพ<ม>อห <c oughs> นูก็ไม่รู้เวลาตั้งใจอะไรเราต้องยืดเยื้อไ้ก่อนเราค่อยท<ม>ําทีเดียว<ม>แล้วหนู<ม>ลาคือ<ม>หนูว่าลงปฏิทินไว้แล้วค่ะพระอาจารย์ปรากฏว่า ม, มันเริ่มหดมาทีทีละวันอ่าเดี๋ยววันสถาปนาที่ทํางาน อ่ะเดี๋ยววันนั้นแต่วันนี้กดมาเรื่อยๆหนูเลื่อนแพงจะไปขยายข้างหน้าเอาแทนนะคะทีแรกยี 27, ่บเอ็ดถึงยี่บเจ็ดก็มาขโมยวันหนูไปยี่สิบหกยี่เจ็ดอ่ะเดี๋ยวหนูก็จะไปขยายเป็นสิบเก้ายี่สิบอกันเดี๋ยวต้องจะพยายามล็อกวันให้ได้มากที่สุดค่ะะัทร์อืมเลยต้องมีการวางแผนถ้าไม่วางแผนมันก็จะไม่ได้ทำค่ะคีพาจันย์ก็บอกให้หนูวางแผนนั่งสมาธิอะ่ะก็พยายา หนึ่งเวลาก็ยากนะก็พยายามท่ะอาจารเมื่อวานก็ไปเกาะสีชังกลับมาจากเกาะศีชั่างค่ะอาจารย์ที่ชลบุรีอืนั่งเรือกลับมาก็โดนเจอเจอฝนเจอลมรู้สึกเหมือนอยู่ในละครเลยค่ะอาจารย์ฟ้าดำดำมีแสงมีแสงนั่งจากไ้นมาจากศรีศรีราช์แล้วจากที่ไหนสีช่งกลับมาศรีราชาขนุนไปทำงานอาจาเราไม่เคยโดนฝนค่ะ <ม>ครั้งแรกที่นั่งเรือเราโดนสนคือปกติ<ม>เรือโค้งเงยอะๆหนูไม่กลัวหนูหนูก็ไม่ได้กลัวอะไรนะคะแต่แค่อครั้งล่าสุดนี่คือมันเหม็นน้ำมันนะคะเพราะหนูไปตั่งใต้ท้องเรือเพราะข้างบนมันเต็ ม, มช่วงนี้ชีวิตสลับสบอมองนะคะ ว, <ม>วันนี้ก็ไปดับไปดับแต่เช้าแต่งตัวท่างกลางความมืดค่ะจอืส<ม><ม>ก็ออกไปทางฝนตกอีกค่ะก็มีหลายเรื่องแต่ก็จะพยายามดึงสติด้วยคําถามที่ว่า เรามีสติอยู่หรือเบาาา้าค่ะอาจารย์ตัวอย่างมันไปแล้วหน้นาตานะเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ อ, อย่าไปทุกข์กับมันขอบคนค่ะอาจารย์ค่ะ <c oughs> สาธุไปใช้อาจารย์สายทิพย์ต่ออาจารย์อย่างนี้ไม่ไดนไปอยู่มหาสารคามแล้วเหรอการสายทิพย์ได้ยินไหม อให้กลับนมัส ก, การพระอาจารย์เจอกค่ะค่ะเดี๋ยวนี้ไม่อยู่มหาสาครคามเลยวันนี้อยู่ขันแก่นเจอกค่ะก็พยายามอ่ทานข้าวให้เป็นแค่มื้อเดียวแล้วก็บางวันก็คือพยายามยืดไปค่ะพระอาจารย์ให้กินประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่ว่าวันไหนที่ยังทําไม่ได้ทุกวันค่ะพระอาจารย์อาทิตย์หนึ่งน่าจะได้สี่วัน มันก็จะมีช่วงบางวันที่อยู่เวรแล้วก็ร้านยาหน้าร้านยามันจะมีของที่หนูชอบหนูก็<ม>โอวันนี้กินสักหน่อย<ม>เราอยู่ในช่วงปรับตัวยั ง, <ม>ย ง, ยงยึดยึดเดินอยุ่ให้เต็ม อ, อยู่ค่ะพระอาจารย์ปรับมานานแล้วนะก็ปรับไปถึงไหนกันปรับถึงอาทิตย์นี้ค่ะพระอาจารย์ ลูกชิ้นของชอบก็โอ้ยลูกชิ้นก็ขายแต่ตอนเย็นตอนกลางวันก็ไม่ขายมีแอปเด็ดได้ด้วยค่พอาจาย์แล้วก็วันนั้นไปธุระกับคุณพ่อมีร้านขนมข้างทางค่ะก็หันไปถามคุณพ่อว่าคุณพ่อจะกินไหมอะไรเงี้ยคุณพ่อบอกคุณพ่อได้ยินว่าเราจะไม่กินขนมคุณพ่อเลยบอกไม่กินแล้วก็ไม่กินโอเคงั้นไม่ซื้อให้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ขนมหนูยังไม่ได้ซื้อทานเองเลยค่ะพระอาจารย์ก็คือตั้งใจละขนมก็คือไม่ไม่ซื้อแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ซื้อเพื่อที่จะกินเองค่ะ mm hmm. ส่วนนั่งสมาธิก็พยายามนั่งตอนนี้ก็ดูลงมาระดับหนึ่งค่ะพระอาจารย์หมายถึงว่ามีสงบสงบในระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ลงนึกค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็มีวันหนึ่งหนูลื่นลม้ม ลถนำต้นไม้แล้วเดินไปมันลื่นค่ะพระอาจารย์แล้วก็ล้มลงไปเอามือค้ำแต่ว่าใจมันไม่เต้นไม่อะไรเลยค่ะพระอาจารย์มันนิ่งมันเหมือนแบบก็ล้มลงไปเอาแขนค้ำแล้วก็เช็คว่าศอกกับข้อมือพังหรือเปล่าแต่ว่าแปลกใจตัวเองที่แบบใจไม่ไม่ไม่ไม่สั่นไม่ไม่มีอาการที่อยากจะแบบร้องหรือว่าตกใจเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยแอบแปลกแต่ว่ามันนิ่งไมถ้ามีสติไงถ้ามีสติมันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะเฉย อือค่ะแค่สำรวจตัวเองว่าข้อข้อพังไหมกระดูกหักไหมเราจะลุกขึ้นท่าไหนเราลุกขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยค่ ะ, ะาอาจารย์ก็ลุกมาปกติแต่ก็ ก, ก็ก็ได้แต่แปกใจตัวเองว่าใจมันไม่สัน่นไม่ตกใจไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะพะาอาจารย์อาจจะเป็นเพราะเราฝึกสติมา ม, มันมันก็เลยตั้งสติได้ค่ะค่ะ ก็อยากเป็นอย่างงี้กับทุกเหตุการณ์ได้ยิง่งดีนะสาธุค่ะหนูจะพยายา ม, อ, มอาหารก็จะพยายามนะคะอาจารย์ อ, อาจเจ็ดวันอาจจะได้สี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็มไม่ไม่ได้หิวมากนะคะพระอาจารย์หมายถึงว่ากินมือเดียวแต่แต่ว่าไม่รู้นี่ทําถูกหรือเปล่าหนู ก, ก็กินแบบอัดเยอะเลยค่ะอาจารย์เหมือนตั้งใจว่าเอามือเดียว เราก็กินเต็มที่ไปถึงวันที่ได้มือเดียวนะคะเราค่อยคิดในใจว่าเดี๋ยวต่อไปค่อยๆลดอาหารลงตอนเนี้ยไม่มั่นใจว่าจะอยู่ไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะเลยกินเยอะเลยค่ะพระอาจารย์อย่าไปกลัวความหิวกันดีกว่า เ, เราคอยให้มั น, นหิวแล้วหาัรอยู่กับมันไปจะสบา ย, ยาจะดีกว่าค่ะเดี๋ยวที่กินเยอะเพราะกลัวความหิวกันเนี่ย กลัวกลัวหิวจริงค่ะพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอยู่ไม่ได้อัดเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มหมาเราฝึกฝึกอยู่กับความหิวบ้างจะดีกว่าแล้ว ม, มันจะทําให้น้ำไม่ต้องกินมากค่ะได้คะ่ะเดี๋ยวหนูจะพยายามให้ให้มากขึ้นพอเราไม่กลัวความหิวแล้วเรสบายไม่หิวก็ปล่อยมันหิวไปมากเลย ผมไม่ตายหรอกคิดวไม่ตายหรอกฮิเลตมันมาค่ะพระอาจารย์โอ้ยหิวแล้วหิวแล้วตอนนั้นตอนนั้นต้องรีบเอาพุทโธเข้ามาช่วยแล้วอนอลืมพุทโธเลยค <c oughs> ่ะพระอาจารย์หยุดความหยุดความหิวหยุดความชิน <c oughs> ได้ค่ะเราไปเอาไปเอาปฏิกูลของอาหารมาหยุดก็ได้นึกถึงปฏิกูลของอาหารค่ะ <c oughs> อือได้ค่ะอาจารย์มันจะช่ามกเลยเห็นมาฏิกริยอย้อาหารนะเห็นเห็นปฏิกุณเห็นเสร็จเลยใช่ไหมคะอาจารย์เห็นตอนจบอ่าได้ครับชอบไปดูตอนต้นชอบไปดูตอนที่มันอยู่ในจานมันไปดูตอนปลายทางว่าถึงปลายทางม้าเป็นยังไงอ่าค่ะลืมนึกเลยค่ะอาจารย์นึกแต่ว่าโอ้มันอร่อยนะ มีความเียของอร่อยถ้ามาอร่อยก็รอไปรับไปรอไปรอกินที่ปลายทางด้วยไม่เอาค่ะแค่คิดก็ไม่เอาแล้วค่ะเห็นภาพเลยค่ะพระอาจารย์ช่วยได้ค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ลองดูยาวิเศษธรรมบูรณาับความหิวได้สบายเลย เห็นแล้วนิ่งเลยนะคะพระอาจารย์ตกเลยไม่อยากกินเลยได้สองได้สองสองสองหลักการในการสู้กับความอยากสติหรือปัญญาถ้าสติกับพุทโธพุทโธไงถ้าปัญญาก็ปฏิกูลเลยมองนึกถึงปฏิกูลเลยแล้วก็ตอนกลางวันเราก็ไม่ต้องทันมากเหมือนกลัวใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ ต่อไปแล้วเราก็ทานตามปกติพอร่างกายมันพอเราก็หยุดกินไม่ต้องไปไม่ต้องไปยัดอ่งต้อง พ, อพยายามกออินตามความต้องการของร่างกายเพราะร่างกายมันมันอิ่มเราก็หยุดอืมอิ่มก็พอนะคะพรอาจารย์แล้วต่อไปมันจะมันจะบอกยังไงมันจะแสะดงอาการแ ม, ม่เอาแลวไม่อยากกินแล้ว <c oughs> เพราะอย่างอย่างตอนตอนตอนเย็นที่ที่ทานค่ะอาจารย์พอทานปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่เราอยากว่ามันอร่อยมันก็ไม่ไม่ได้อร่อยมากมายนี้นามันเหมือนแบบมันก็เหมือนแบบเหมือนใจตอนที่ที่อยากมันก็คงแต่งค่ะพระอาจารย์ว่านี่คือของชอบของเราแต่พอกินมันก็แบบ น, น, น, นั่นแหละนะั่นแหละนั่น แล้้วก็อยย่่างงันนเีมังงนไม่เหมือนกับตอนที่เราคิดนะตอนที่เร า, าคิดตอนที่เราอยากโอ้มันวิเศษอย่างนุ่นอย่างนี้ใช่ค่ะพอพอเข้าป่าแล้วก็ก็งันๆันนะแต่ตอนอที่อยากเนี่ยว่าโอ้ยของโปดเลยนะั่นเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจาร์มีเดี๋ยวนูกอาทิตย์หน้าค่ะจะทําให้ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์เก็ไว้เดี๋ยวมารายงานใหม่ค่ะอ่าเี๋ค่ะพระอาจารย์อ่านทีน่ะค่ะสาธุค่ะโอเค คุณหมาภาสนะฮะเจนคุณหมอก็ทําลอแบบนั้นมาสการค่ะพระอาจารย์ก็ยังคงทําสมองเสมอนะคะพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าทิศใจที่มันนิ่งๆเนี่ยมันทําให้ไกลกับวาจามันก็มันก็นิ่งไปด้วยนะคะพระอาจารย์รู้สึกมันนิ่งกาจกับวาจันมันต้องมีใจเป็นคนสั่งถ้าใจไม่สั่งมันก็มันก็ไม่ทําอะไรมันก็เลยสบายนะพระอาจารย์พอันิ่งแล้วมันจะสบายแล้ว แล้วถ้าเราใช้สติกับปัญญาเนี่ยดูเห็นเห็นสมเห็นความจริงได้ไม่เห็นสมมุติเนี่ยมันก็ทําให้มันเหมือนกับมันก็จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรมันก็อยู่ไปได้สบายๆไปด้เรื่อยใช่มพระอาจารย์แล้วก็แบบว่าจะเห็นรายละเอียดขึ้นมาไม่ทุกกับอะไรมันก็จะไม่ทุกขกับอะไรมันไม่มีอะทุกข์เยแล้วถ้าเราเริ่มเห็นเรายละเอียดอย่างเช่นที่ที่มันที่ยังเห็นพอมองเห็นแต่ว่ามันไม่ได้ทุกขพระอาจารย์ก็อย่างเช่นพวกพวกแบบว่าอม เรารู้ว่าเราไม่มีเรายังต้องใช้อันนี้กํากับอยู่กับอนัตตาค่ะอาจารย์คือแบบยังตึงท่องตลอดเลือกไม่มีเราไม่มีเราจริงๆมันต้องไม่ท่องใช่ไหมอาจารย์มันต้องแบบว่าก็ยังต้องท่องเขาท่องไปก่อนเด็กเขไม่ปึกไปก่อนซ้อมไปก่อนก็คือมัสมมติว่ามันจะมันจะมันจะไม่มันจะไม่มีเราอแต่ว่าบางบางทีบางทีแบบถ้าเผลอสตินะคะอาจารย์เพราะว่าสตินี่ยังเขาบอกคุณไม่ได้คือพยายามเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เหนื่อยแล้วว่าอาจารย์คตื่นขึ้นมาก็ใช้สติปัญญาได้ตลอด แต่บางทีเนี่มีรุ่นนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ไม่ไม่กระเพื่อมนะพ<ม>่อาจารย์เพราะมันทันะก็ทําต่อพ่ะอาจารย์อืก็ฟังของปุษวัตปุษวัจโจรนะรู้สึกว่าฟังแล้วก็จริงจงท่านเทศเหมือนกันทุกทลูกเลยนะาพ่อาจารย์ฟังแล้วว่าด<ม>ีมากมากเลยครัอาจารย์ฟัง<ม>สลอเสมอฟังตอนเช้าแล้ว ข, ของพระอาจารย์ฟังตอนบ่ายเนี่ยฟังพยายามฟังตลอดก็ดีนะถูก ไปเป็นยินดีต่อคน์เสค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์เป็นงไงอากาศตอนนี้หนานหวร้อนก็ขึ้นขึ้นลงลงค่ะท่านอาจารย์แต่ส่วนใหญ่ก็อากาศดีขึ้นแล้วค่ะท่านอาจารย์ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรการรับฟังค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์เดวิดเหมือนเดิมค่ะก hmm hmm. ่อนไปก็สองเต้ท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็ไปเชียร์กันหนูวันนี้เขก็ เข้ามาให่หนูก็บอกว่าลืมหรือเปล่าไม่ลืมค่ะอขอบคุณขอบขอบคุณด้วยนะค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างจุง๋มค่ะคุณแแบบตอบคุณแบบพัทยาใช่ไหมใช่แล้วแบบคนเดียวหรือเปล่าใช่เจ้าค่ะแปบบพัทยาอโอเคมีอะไรไมั้ย วันนี้มีคำถามเจ้าค่ะพราสาม <S 1> <S 1> <S ลูกพาสวดมนต์นั่งสมาธิอายประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วลูกล ก, <S <S ลก็เกิดอาการปวดลูกลูกลูกคนจากนั้นไม่ได้เจ้าค่ะแล้วแล้วมีการาปวดหลังนะเจ้าค่ะเมื่อเดือนที่แล้วปวดหลังแล้วก็สลักเพชรจมลูกก็เลยต้องไปหาหมอหายามาชันค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าหายหายแล้วลูกนั่งสมาธิก็ครั้งนี้ก็เริ่มปวดอีกแล้วเจ้าค่ะลูกต้องทํำยังไงดีเจ้าค่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าร่างกายเราอาจจะไม่พร้อมที่จะนั่งได้นานๆก็นั้งก็นั่งเท่าที่จะนั่งได้ไปก็แล้วกันแล้วเราลูกขึ้นมาเดินแทนก็ได้นั่งที่เดินก็เดินเดินจนกลมแทน ที่จะต้องห้องจะต้องกว้างใช่ไหมคะประมาณเดินได้ประมาณสักประมาณกี่ก้าวเจ้าค่ะก็แล้วแต่เราถ้ามันถ้ามันสั้นมันเดินกลับไปกลับมามันก็จะเวียนหัวใช่ไ้ยถ้ามันยาวหน่อยมันก็มันก็จะไม่ค่อยเวียนหัวก็อยู่ที่สถานที่ว่าเราสามารถเดินได้กี่ก้าวโดยหลังเราถ้าอย่างน้อยได้สักยี่สิบก้าวก็จะดี ทำได้ยังต่ำคุณอย่างยี่สิบเก้ามันังไม่ค่อยเวียนหัวเท่าไหร่แต่ถ้ามันอยู่ในห้องเดินได้แค่สิบเก้าแล้วก็เดินแบบเดินแบบไม่ต้องกลับหลังไม่ต้องหันหลังกลับก็ได้เดินแบบเดินหน้าไปแล้วเดินถอยหลังกลับก็ได้เดินถอยหลังไปไหมเดินถอยหลังไปไหมแล้วเหมือนลูกอย่างลูกเอทานมื้อเดียวอย่างนี้ลูกก็เหมือนจะมีอาการปวดท้องรวมด้วยเหมือนกันใช่ว่า มันปวดเจิงแล้วมันปวดพอจิตเราไปคิดขึ้นมาเองลูกปวดจริงลูกทนเจ้าค่ะลูกก็ทนลูกลูกแต่ว่าก็เป็นเป็นนานเจ้าค่ะก็ก็คือทนไม่ไม่ครึ่งยานะคะมันเป็นเฉพาะช่วงที่เรามาอด อ, อาหารน่ะค่ะน่าจะย่างงั้นค่ะที่เป็นเฉพาะเรากินเมื่อเดียวแล้วกินสองวัน อส่วนใหญ่สองมื้อเจ้าค่ะสองมื้อก็เป็นไม่ได้กินข้าวเย็นนี่มันก็จะเป็นเจ้าค่ะก็ลูกลูกทานสองมื้อก็จะประมาณช่วงลูกทานข้าวจนช่วงสายๆแล้วก็มาทานอีกครั้งหนึ่งบ่ายสองอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ<ม>แล้วก็ไม่ทานอะไรอีกเลยแล้วก็ยังไม่ปวดท้องอยู่เลยเจ้าค่ะแล้ถ้ากินสามมื้อก็ไม่ปวดเจ้าค่ะอืม เป็นเพราะกิเลสเยอะหรือเปล่าเจ้าคะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะน่ายกายเรามันขาดไม่ได้หรือว่าว่าเป็นเพราะกิเลสอันนี้นะต้องต้องแยกแยะ ด, ดูเ อ, เองสังเกต ด, ดูเ อ, เองะนะอาจารยนะเจ้าคะ่ะเออพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกขอถามอีกนิดนึงเจ้าคะ่ะ อย่างลูกไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วนั่งได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นคือลูกลูกนอนนี่ลูกสามารถเ อ, อพูดโทต่อได้ไหมเจ้าคะจนปั่าจะหลับนะเจ้าค่ะได้ได้พูดต่อต่อก็ได้เดี๋ยวลมต่อก็ได้เดี๋ยวก็หลับเลงวันนี้ลูกมีเท่านี้เจ้าค่ะโอเคองั้นก็พยายามลราเราฝึกไปเรื่อยๆ อ, อยู่นะสังเกตดูว่า น้อมกราบสาธุาน้อมกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ ะ, yeah. okay. คะอย่าโอเคเป็นที่คุณสพัฒนาตอบสมพัฒนาครับเ ร, ม ร, รามาสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เข้ามาร่วมฝังธรรมเจ้าค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์ด้วยตอนแรกก็มีข้อสงสัยเรื่องอสุภะทีนี้พระอาจารย์ก็ได้มีอธิบายไปแล้วกับหลายท่านก็ได้ มีความเข้าใจมากขึ้นเจ้าคะ่ะโอเคลองไปปฏิบัติดูนะเจ้า <Okay. S 2> ค่ะแอบข้อมูลเจ้าค่ะก็ไปดี่พิสเบิร์กกับคุณเจนคุณเจนเจนนามสกันค่ะอาจารย์มีอะไรไหมอยากจะถามอยากจะพูดอะไรไหมค่ะก็โยมก็ เมื่อวานนี้ค่ะพระอาจารย์โย ม, มาอานั่งสมาธิแล้วก็พอใกล้ๆจะครบชั่วโมงเนี้ยค่ะเกิดอาการเวียนหัวค่ะพระอาจารย์เกิดอาการเวียนหัวครึ้งไส้แต่ว่าเสร็จแล้วพอออกจากสมาธิปุ๊บโยมนั่งหนึ่งชั่วโมงอะนะคะพระอาจารย์แล้วก็มาพักสักพักหนึ่งแล้วอ่าวันนั้นทั้งวันไม่ง่วงเลยค่ะพระอาจารย์ต่อื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งมาทําสมาธิแล้วก็ไม่ง่วงเลยอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าค<ม>ำถามของโยมคือ ไออาการที่มันเวียนหัวเนี่ยค่ะพระอาจารย์เรามันมันมันยมปฏิบัติผิดหรือว่ามันเป็นช่วงขณะที่เราเรานั่งสมาธิอยู่แลตอนใกล้จะครบชั่วโมงแล้วค่ะพระอาจารย์ก็อาจจะเป็นพ้อหนึ่งสติแล้วอ่อนกําลังลงสองกิเลสมันก็มีกําลังมากขึ้นกิเลสมันก็เลยสร้างเรื่องปวดหัวให้เราไม่ได้ แต่ถ้ า, ถาเราลองอยากจะแก้เดี๋ยวองเราพยายามเพิ่มสติขึ้นมาหี่ยใช้คําบริกรรมใช้คําบาลีคำพุทโธพุทโธพุทโธไปหนึ่งถ้าเรามีสติกรรมม า, าการมันก็อาจจะหายไปก็ได้ค่ะค่ะแต่มันไม่ไม่มันไม่เป็นอะไรหลังจากที่เราเลิกแล้วใช่ไหมไม่เป็นค่ะพอาจารย์มันคงจะเป็นเรื่องของการที่สติเราอ่อนแล้วกิเลสมันก็เลยมีช่องที่จะทํา สร้างเหตุการณ์อนี้ขึ้นมาให้กับเราค่ะอาจารย์แต่ไม่ท้อถอยนะคะอาจารย์จะเพียปรปฏิบัติทุกวันค่ะก็อะลองใช้ครํรมเวรกรรมดูเวลาที่กิดาการกาจิตเลือสมองอาอนที่ปกตินั่ ง, น, งนั่งแบบไหนนั่งดูลมแล้วนั่งทำใช่อะไรอา่าเมื่อวานโยมนั่งยุบหนอพองหนอค่ะพอาจารย์ก็จะใช้ตรงทองะะ้องอะค่ะอาจารย์ ยุบหนอนพองหนอนไปเรื่อยเรื่อยเนืว่าท่าพังมันก็หยุดยุบหนอนพองหนอนั่งไว้เฉยเฉอเมื่อวานใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ยุบเมื่อวานเโ ย, ยมโยมอ่อยู่กับยุบหนอนพองหนอตลอดจนจนจบชั่วโมงหนึ่งเลยค่ะพระอาจารย์มียุบหนอนพองหนอพูดไปในใจตลอดเวลาเลยใช่ค่ะก็ถ้าเกิดอพองก็ท้องพองยุบก็ท้องยุบอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ แล้วมามาเรียนชีสารตั้งไหนคตอนอ่าตอนโยมก็อดทนไว้นะคะพระอาจารย์ตอนใกล้ๆจะจบชั่วโมงหนึ่งอะคะ่ะโยมตั้งนาฬิกาไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วพอใกล้ๆจะจบชั่วโมงหนึ่งจนมันมันทนไม่ไหวแล้วค่ะพระอาจารย์สามสิบเก้าสามสิบเก้าวินาทีสุดท้ายโยมลืมตาขึ้นมานะคะอืมก็จะเป็นเพราะว่าเราตอนนั้นไม่อยากจะนั่งแล้วสู้กิเลสไม่ไหวแล้วครับพระอาจารย์โยมจะเพียรปฏิบัติต่ตอไปค่ะพระอาจารย์ โอเคพยายามทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วนะมันจะมีประสบะการณ์เองนะได้ค่ะอาจารย์ตาถูกค่ะตาถูค่ะใทีคนสุภเชษนะใช่ไหมสุภาพเชษอยู่ที่ไหนกรุงเทพนะกับนาัสกุลอาจารย์ครับอยู่กรุงเทพครับสุภาเชษครับมีอะไรไหมก็ยังคงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องครับอาจารย์แล้วก็เอ่อ ที่ผ่านมามันก็มีเหตุที่อะไรนะชนะกิเลสบ้างแท้กิเลสบ้างครับแต่แ ต, แต่เท่าที่สังเกตก็คือว่าพยายามปรับอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ในสภาวะที่เป็นกลางๆ ก, ก่อนจะนั่งสมาธิครับจะทำให้ตัวเองนั่งได้ดีขึ้นนะครับพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกสงบขึ้นคือเคยมีเหตุที่เหมือนประมาณว่ามีเกิดอารมณ์หงุดหงิดหรือลำคานใจในในระหว่างวันนะครับผมมันทาให เวลาเรานั่งสมาธิมันก็จะมีเหตุนั้นเนี่ยเข้ามาที่ที่ใจเราเป็นระยะระยะเราก็พยายามที่จะไม่ไม่ไปโฟกัสนะครับก็คือกลับมาที่ลมหายใจพุทโธพุทโธตลอดครับผมแต่แต่พยายามจะฝึกสติระหว่างวันนะครับพระอายจย์ก็คือเอไม่ให้มันไม่ให้มันขึ้นขึ้ น, น, นลงลงครับคือให้อยู่ในสภาวะที่เป็นกลางๆแล้วก็นั่งสมาธิอันนี้เท่าที่สังเกตก็คือ จะทำให้ตัวเองนั่งสมาธิได้ดีขึ้นครับอาจารย์ใช่ปฏิบัติเช้ากับเย็นเช้ากับกลางคนก่อนนอนเหมือนเหมือนเดิมครับอ่าแต่ทั้งวันพยายามใช้สติฝึกสติเป็นควบคู่ไปด้วยะครับผมโอเคครับดีกทำต่อไปนะครับขอบคุณครับไปที่คุณคุณปุ้มรักเซมเบิร์กคุณปุ้ย กรรมธสการค่ะพระอาจารย์ค hey. well, yeah. yeah. yeah. ุณป mm hmm. yeah. e yeah. ุ้ยอยู่ลักเซมเบิร์กค่ะอ่าอย่เป็นชื่อยาวเลยหนึ่งชื่ออาวพรสีค่ะชื่จริงคุณปุ้ยชื่อพรสีค่ะปุ้ยก็ไม่มีอะไรพระอาจารย์ยังแต่ว่าเมื่อวันพระมือมันมีเหมือนกับว่าโดนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมากระทบแรงมากเลยมันเหมือนกับ มันมากดตรงหัวเราอะ่ะอะไรก็นึกกดกดกดกดกดหัวหั ว, ห ว, หวปว ด, ปวดหัวหัวปวดปวดหัวก็เลยแบบใช้สติคิดว่าเรามายามไม่ให้จิตเราอะ่ะเตลิดไปคิดถึงเรื่องเอออะไรที่มันไม่ดีเราก็เลยบอกว่าอ๋อสงสัยจะเป็นเพราะว่าเรามปนโรคภูมิแพ้ก็เลยลองกินยาเสร็จ แ, แล้วมันก็หายไปก็เลยดีขึ้นเสร็จ แ, แล้วโยมก็ นั่งสมาธิจเจริญจิตถือศีลเหมือนทุกวันหรือศีลเจ็ดถือศีลแปดเหมือนทุกวันอย่างที่โยมปฏิบัติแต่เโยมมีเรื่องกระทบเข้ามาซึ่งเหมือนกับว่ามันจะมาเป็นบททดสอบแต่ว่าโยมไม่เก้าโยมไม่เก้าไปกระทบมันเพราะโยมใช้สติเหมือนอย่างที่พระอาจารย์สอนเพราะทุกครั้งถ้าโยมรับผู้ คือใจเราอ่ะมันจะกระเพื่อมแล้วใจมันจะขุ่นโยมก็เลยไม่ไม่ไปยุ่งไม่ไปเกี่ยวเพราะว่าโยมมีสัจจะกับพระพุทธเจ้าว่าโยมตั้งมั่นแล้วว่าโยมจะเดินทางธรรมเพราะฉะนั้นโยมจะไม่ไปยุ่งกับบุคคลคนนี้โยมก็เลยตัดว่าเราไม่ตอบเราไม่เห็นเราไม่อะไรคือมันไม่บาปใช่ไหมฮะไม่บาปหรอกถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้งของกับเขาใช่เพราะว่าถ้าเรารู้เกมของเขาว่าเขาจะเดินมาอย่างไรเขาเดินมาเพื่อแกล้ง แล้วเราให้โอกาสหลายคหดแต่ในเมื่อถ้าเกิดเราคิดว่าถ้าเราไม่รับเราทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซจใจเรามันน้มยขุนอะ่ะเพราะวา่าทุกครั้งอย่างปีที่แล้วถ้ายอมรับยอมดีด้วยมีเมตตาให้แล้วทีนี้มันเหมือนกับว่าใจมันขุ่นเพราะว่าเราจะต้องไปใช้คําไม่ดีเหมือนมันแล้วมันจะทําให้เราผิดศีลนะคะอาจารย์ยิ่งนั่ะถ้าเราไม่ทําอะไรก็ไม่ผิดใช่ค่ะแล้วพอดีว่ามันมีคนมาขอความช่วยเหลือกับโยม แต่ทีนี้โยมใช้จิตพิจารณาว่าสิ่งที่เขามาเนี่ยมันไม่ใช่ความช่วยเหลือธรรมดามันมีเรื่องเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรแอะไรมามาเกี่ยวกับเราทีนี้โยมก็เลยใช้วิธีปฏิเสธให้คําแนะนําแล้วก็ปฏิเสธเขาออกไปโดยที่ไม่ได้พูดคําหยาบคายก็เลยบอกว่าน้องไปทำอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าพี่จะไม่ไปด้วยเพราะอะไรเราไม่ได้บอกกับเขาเราก็บอกแค่ว่า เออเราไม่ว่าแต่เราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้โกหกแต่ว่าเราป้องกันตัวเราก็เราเดินทางธทมเราไม่อยากผิดศีลเพราะเรารู้ว่ายมรู้ว่าถ้าโยมไปยมจะต้องผิดศีลเพราะคนที่โยมคุยอยู่เขาไม่ได้ศีลครบยมก็เลยตัดไปอย่างนี้คือมันไม่เป็นการบาปใช่ไหมคะพรอาจารย์ไม่บาปหรอกถ้าเราไม่ไปทําอะไรครับถ้าเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวคือเราให้คําแนะนําเขาไปแล้วแต่ในเมื่อเขาไม่ทําแต่สิ่งที่เขาต้องการและเราก็รู้ด้วย ว่าเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องถอยออกมาอืมเอมอยอมแล้ะยอมยมไม่อยากจะทําบาเพราะว่าถ้ายมไปต่อหน้าเออฟฟิศของของรัฐบาลแล้วยมจะต้องคือยอมถ้ายมพูดมันจะต้องได้แต่ว่าการพูดของเรามันจะตกลงไปถึงเอศีลเอกโกหกอ่ะมุซาเพราะว่าเขาทําไม่ถูกต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นยมเลยไม่ไปยมตัดสินใจไม่ไป เพราะว่าโยมบอกกับตัวเองเสมอว่าเราเดินทางทําแล้วเราต้องทําให้ถูกเราต้องพยายามไม่ทําบาปนะคะอาจารย์โยมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นบาปหรือเปล่าีสิ่งที่โยมปฏิเสธไมเนี่ยไม่บาปหรอกคืออาจารจะไม่เมตตานะั่ยอืมไม่ใช่คือคือโยมโยมโยมโยมก็คิดว่าเราไม่ตาแนตะ่เราต้องมีมีจุดยืนของเราด้วย<ม>พ <อ S 1> เพราะโยม<ร>ต้องมีมเราต้องมีอเวทขาด้วยนะ ใช่ใไม่ได้ก็ต้องใช้อุเบกขาแทนไปเพราะว่ายมยังไม่แข็งแรงมากเอ่อทีนี้จิตยมยังไม่แข็งแรงมากยมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราในเมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานกับพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราต้องมีสัจจะสี่ยมจะเตือนตัวเองอย่างนี้เสมอค่ะเหนือยแล้ละโอเคแค่นี้นะมีอะไรไหมไม่มีค่ะอาจารย์โอเคค่ะขอให้พอาจารย์ธาตแข็งแรงนะคะ ขอให้คุณผู้ใสุขเจริญให้ลราให้ด้วยนะค่ะยังไม่ถูกหวยเลยพระอาจารย์เขไม่เขไม่ซื้อก็ไม่ถูเลยอีจทั้งยังมอโยมไม่ได้เชื่อตัวเองโยมันได้ยินได้ยินเสียงเรื่อยเลยพระอาจารย์โบราณพระอาจารย์เดี๋ยวหมดตัวเดี๋ยวหมดขอกระมากับอาจารย์ขอบคุณะอาจารย์ค่ะคุณแน่กับคุณป้าเชิญ นมันนสะอาจารย์รครับเป็นยังไงก็อาทิตย์ที่แล้วแบบงานยุ่งค่ะพระอาจารย์ก็เลยทำให้แบบการปฏิบัติ ล, ลดลงแต่ว่าเหมือนก่อนหน้า น, นี้ได้ทำสมาธิอย่างต่อเนื่องมาก่อนนะคะช่วงที่งานยุ่งยังรู้สึกว่าจิตใจก็ยังสงบแล้วก็ยังแบบแบบควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้แต่พอพอมาอาทิตย์นี้งานเริ่มลดลงแต่ว่าพอไม่ได้ทำสมาธิเรารู้สึกเลยค่ะว่ามันว่ามัน ทำสมาธิลดลงนะคะไม่ใช่วแบบ่าไม่ได้ทําเลยแต่ว่ารู้สึกข้างในว่ามันไม่เหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์อรู้สึกสติระหว่างวันก็ลดลงมาตามการปฏิบัติที่ลดลงค่ะ ต, ต้องพยายามทําให้มากขึ้นเหมือนเดิมไม้ไดค้คิดว่าไม่ไม่ไม่ได้แล้วค่ะคือเหมือนเป็นของจําเป็นสําหรับชีวิตค่ะเพอเปรียบเทียบช่วงที่แบบเคยเคยรู้สึกว่าดีอ่ะค่ะพระอาจารย์อืม ก็ดีนะทำให้ทำให้จิตใจเราสงบจิตใจเราสบายถ้าขาดมันจิตใจเราก็ไม่สงบไม่สบายใช่ค่ะพยายามบังคับตัวเองให้ทําให้บางกมางก็จะทําตามที่พระอาจารย์เอสอนเป็นแนวทางว่าให้ทําตารางเราก็พยายามทาตามทําให้มันเป็นตารางเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันค่ะอืมดี แตดแ้วไม่มีข้ออ้างว่าลืมบ้างยุ่งบ้างอะไรบ้างแ่ว่ากหนดตารางไว้ะลดีมากทำต่อไปนะครับผมเีงก็จะพยายามครับโอเคสาธุคุณยอมยอมหญิงวิไลพรกราบนมก่าารพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะวันนี้อยู่กรุงเทพค่ะเลยรีบเข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะ Mm hmm. ค่ะพระอาจาวันนี้พอดีลูกสาวชวนให้ไปเอ่อ mm hmm. กลับคุณแม่บุญเรือนค่ะ mm hmm. ก็เหมือนกับว่าลูกเขาก็เหมือนกับว่ามีคนบอกมาอะไรเงี้ยค่ะก็บอกเอาม้าช่วยไปเป็นเพื่อนก็ก็ไปเป็นเพื่อนลูกสาวอะค่ะก็เป็นน่าจะเป็นให้พึ่งทางใจอ่ะค่ะคุณแม่คุณแม่บุญเรือเอามาพอดีเลยเจ้าค่ะขออาจารย์เอามากับพระอาจารย์แล้วก็ไป บอกว่าลูกไปไปไปกราบคุณแม่บุญเรือนมาอือคุณแม่บุญเรือนเป็นไทรเลเป็นคารวาที่บรรลุธรรมเจ้าค่ะท่านสิ้นไปแล้วเจ้าค่ะ อ, อ๋อไปกราบอเลยไปกราบลูกเหมือนท่านนะค่ะไปกราบลูกเหมือนท่านค่ะที่วัดอาวุธกับวัดสัมพันธวงศ์อะค่ะท่าน <c oughs> เสียไปเมื่อตอนพศสองพห้าสิบเจ็ดเจ้าค่ะอือค่ะ น่าจะทันรุ่นพระอาจารย์เจ้าค่ะแต่แต่จะไม่ทันรุ่นรุ่นโยมเจ้าค่ะค่ะเราก็ไม่ทันน้ำบวชน้ำ <c oughs> บวชหนึ่งหนึ่งแปดเนี่ยหนึ่งโอ้สิบเจ็ดเรนี่ยยังไม่รู้เรื่องธรรมะันสมัยนั้นอ๋อเชิญค่ะพระอาจารย์ค่ะกลับพระอาจารย์มุยค <c oughs> ุยอะไรกับพระอาจารย์ไห ม, มดึกแล้วไ ป, ไปกลับเพื่ออะไรนะเป็นยังไง ที่พึ่งทางใจพอดีคุณแม่บุญเรือนนะคะเป็นสมัยก่อนนะคะท่านเป็นคารวะาซึ่งเออบรบรู้ยานยานยานหกยานยานเสียเหมือนเหมือนเหมือนมีอภินญญาเจ้าค่ะคื อ, อเรื่องราวของท่านคือเหมือนกับว่าท่านสามารถรักษารักษาคนได้ะะอะค่ะเมื่อท่านตายไปเราจะรักษาได้ไ <laughs> ที่พึ่งทางใจกับพระเจ้า<อ> <laughs> ยังโฟกตสมูอยู่เลไม่ค่ะแต่แต่ก็ดีนะคะพระอาจารย์เพราะว่าตอนที่ลูกสาวเขากราบอ่ะค่ะแล้วลูกสาวก็ไปนั่งกราบลูกก็มองข้างหลังลูกสาวก็บอกว่าอ๋อดีเนาะก็ยังเป็นสิ่งที่ทําให้ลู่อะค่ะแบบเขาเขามีความทุกข์เขาก็เลยอ่ามาเข้าวัดมาทําบุญมามาได้ได้เข้าวัดอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ได้ต้องทําใจเสร็จเข้าวัดเพื่อทําใจไม่ใช่เข้าวัดเพื่อไปขอนู่นขอนี่ ขอแน่นอนพร ะ, ะอาจารย์ขอด้ครับขอก็แสดงว่าเป็นกิเลสละความโลภละขอให้ลูกค่ะก็ก็ทุกขางใจทุกของแม่ค่ะพระอาจารย์บอกให้สันโดษยินดีตามมีตามเกิดอะไรจะเกิดก็เกิดทําใจดีกว่นะทําใจแล้วจะจะสบายใจไปตลอดนะไม่ทุกข์กับอะไรเยอะขึ้นเยอะเลยค่ะอะ พยายามฝึกขาดคำใจไว้อนาตตาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนาตตา<ช>เรา<ช>ควบคุมบังคับไม่ไ ด, <ช>เด้เอาของจริงนี่กับของจริงนี่กัอย่างเช่แล้วของปองลอมเนี่ยของเราของปลอมเราไม่ว่าเขาปลอมเนะี่ยแต่ใจเราุกเกลิดเราใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเ<ร>ายั ง, ยง<ๆ>เรายัางรักเรายัางห่วงยังห่วงอยู่เราอยากให้ของที่เรารักเราห่วงให้ดีขึ้นใช่ไหม ที่ไหนมีที่ไหนบอกว่าขอได้ก็ต้องไปขอแล้วนะนิดนึงค่ะแต่มันไม่ใช่คำสอนของพระเจ้านะพระเจ้าไม่เคยสอนให้ไปขอใครเจ้าสอนให้มองความจริงนะมองความจริงแำใจเหมือนหาทางพยายามหาทางแบบว่ารักษาอยู่แต่ว่าก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะช่วยไ้ยอย่างเงี้ยค่ะก็คือ หรือเพิ่นใหสเต็มเซลล์ EL, แต่มันก็ยังไม่มีวิจัยที่บอกว่าเออจะช่วยได้ขนาดนั้นแต่บางอันก็บอกว่าช่วยได้ก็เลยเอมไม่รู้ยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็กะทดลองไหคะก็ลองได้ก็ลองไปของถ้ามันไม่เป็นอันตรายต่อต่อคนไข้นะเขาบอกว่ามันไม่มีที่คุยกับอคุณหมอเขาบอกว่า ทำมาสิบห้าปียงไม่แบบว่ามีเด็กเล็กๆไม่ทําก็มีแต่ก็ยังไม่มีอันตรายจากการให้สเต็มเซลล์แต่ว่าเขาจะไม่การันตีผลว่าเออทํามาแล้วจะดีขึ้นหรือจะยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาไม่การันตีเขาบอกเหมือนเป็นเหมือนทางเลือกให้เป็นเหมือแพทย์แผนทางเลือกอย่าเงี้ยค่ะที่ถ้ามีกําลังทรัพย์แล้วไม่เดือดร้อนจะลองก็ได้ห้าแสนค่ะอุต แล้วเด็ ก, เ ด, กเด็กเด็กขาจะสู้ไหวหรือเปล่าอืมกา ร, รักษาเหมือนเป็นการให้น้ำเกลือธรรมดาไม่ไม่เจ็บปวดทรมานนะใช่ใ่คือไม่ใช่เป็นการปลูกถ่ายเพราะว่าถ้าปลูกถ่ายก็คงก็คงให้เขารักษาทางใช้อินซูลินเป็นเหมือนประคองอาการเขาไปอย่างเงี้ยค่ะก็คงไม่ให้ไปปลูกถ่ายอะไรแต่อันนี้เหมือนเป็นการเหมือนให้น้ำเกลือให้วิตามินอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเป็นสเตมเซลล์อืม ก็ถ้าเรามีกำลังก็ลองทําไปดูอาจจะดีขึ้นก็นได้นะของนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะไม่ไม่รบับเกวนพระอาจารย์นะคะแต่ว่าคุณแม่บุญเลอนก็ท่านชอบคนมีศีลมีธรรมอะค่ะก็เลยบอกลูกบอกว่าถ้าลูกนับถือคุณแม่แล้วคุณลูกอยากที่พึ่งแล้วลูกต้องมีศีลมีธรรมแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิทุกวนันก็มีบอกไปแล้วค่ะมีมีมพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์มากค่ะ แม่ก็ขายทั้งหมดทำไมไม่ไเชื่อพระพุทธเจ้ากันนะด้านไง ใ, นใครอยากมีเลทเท่าพระทเจ้าใครอยาเกเจงเท่าพระพุทธเจ้าแต่ก็ก็ให้ลูกคนคทํา <ำ S 1> เนาะ ก, ก็ก็เคยมีนิทานเคย <c oughs> เล่าให้ฟังว่าแม่แม่มีลูกทาลกคนหนึ่งดีดีก็ตายไปตายไปแม่ก็รักเสียใจกอดนอนนั่งน้อยกอดลูกศพลูกไม่ยอมไปฝังเลยเผา ชาวบ้านเห็นเขาว่าสงสารบอว่าถ้าเธอไปหาพระเจ้าสิพระเจ้าท่านเก่งนะท่านจะช่วยได้เธอดีใจได้ข่าวว่าพระเจ้าช่วยเธอได้ก็เลยไปหาออไปถึงก้นอนนาวทารลกเขาศพไปบอกได้ข่าวว่าพราะองค์จะช่วยหนูได้อยากให้ช่วงช่วยทําให้ลูกหนูฟื้นขึ้นมาหน่อยได้ไหมพระเจ้าบอกได้ง่ายไปของง่ายมากเห็นแต่ว่าเธอต้องไปเอามาเล็ดผักกาดมาให้เราสักกำมือหนึ่งนะ เอแต่พูดเช่นี้ได้ยินแคนี้แต่ก็ดีใจรีบอุ้มจบลูกกลับไปหมู่บ้านแล้วก็ไปเข้าประตูมบ้านคนนั้นคนนี้เอาแต่ก่อนก่อนที่จะกลับไปพระเจ้าบอกต้องเอาเมล็ดเมล็เล็ดประกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายนะมีมีมีเงื่อนไขตรงนี้แล้วก็โอเครับปาแล้วเรารีบกลับไปหมู่บ้านแล้วเข้าประตูมบ้านเพืชาวบ้านเพื่อนบ้านถามีมีเมล็ดประกาศไหมบ้านที่เขามีเขาบอกว่ามีแล้วถามว่ามีคนตายเนี่ยมี มีพี่มีน้องมีปู่มียา่ามีตามียายมีคนตายในบ้านไหนก็ได้คำตาบแบบเดียวกันเพวัะแบบนั้นที่เสร็จก็เลยยอมเห็นความจริงว่าความตายนั้นเป็นของที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วก็เลยยอมรับความจริงได้หายเศร้าหายโศกไปเคยแก่เจ็บตายอ่นั่นแหละทุกคนต้องเจอกันด้วยกันนะ่เจอช้าเจอเร็วเจอก่อนเจอหลังเราเราก็ต้องเจอแม่เราก็ต้องเจอลูกเราก็ต้องเจอกัน เป็นแ่คิวของลูกนอนมาก่อนนั่นเองเจ็บเร็วไปหน่อยอนี่เคยทว่ามาเล่าให้ฟังลูกลูกก็รู้สึกเขาเขารับกับโลกนี้ได้ไม่รู้สึกว่าเขาเดือดร้อนกับโลกนี้ก็ทําให้แม่รู้สึกดีไปด้วยแบบว่าอยู่กับมันได้เราไม่เดือดร้อนแทนเขาใช่ใช่ใช่คือแล้วเราก็เป็นห่วงเขาไปล่วงหน้าแล้วก็ถามว่าเออหนูป่วยไปรู้สึกว่ามันแบบ ทำอะไรให้ชีวิตหนูยุ่งยากไหมเขาบอกไม่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อิดก็แบชื่นใจเนี่ยค่ะเนีเราไปชินดูนะนิทานเรื่องนี้สอนใครสนแ่ับสอนแ่เก่าเก่าหลวงพ่อเจ้าค่ะเก่าพระอาจารย์เจ้าค่ะขอบขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุสาธุค่ะพระอาจารย์ใ่จ้ก้ ครับพี่ยงไงปฏิกริยาอาหารมองเห็นมั้งหรือยังครับทำครับว่าจแล้วทําได้วันเดียวก็ก็ก็ก็กกทําแล้วก็มองอาการเคลื่อนไปแล้วพอ ค, คิดถึงสิ่งที่ออกมามันก็จะอ้วกเหมือนกันแต่ว่าพ <c oughs> ่าทาไปคืนเดียวทําแล้วก็แบบนอนแล้วก็หลับมีความสุขแบบว่าเหมือน <c oughs> คือเราได้ปัญญาด้วยว่าเออที่เรากินอาหารมาเรากินบํารุงร่างกายมาแต่จริงจริงมันมีส่วนมันเป็นโทษด้วย คือมันไม่ได้มีแต่คุณอย่างเดียวกินเรากินเพื่อความ อ, าอร่อยอร่อย่างเงี้ยฮะแต่พอกินแล้วโทษมันอยู่ที่เราแต่กไ็ไม่รู้จะทําไงต่อแต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าดีใจแล้วก็รู้สึกปลื้มใจในในปัญญาเหมือนพระอาจารย์เทศแล้วแต่ว่าพอเราเอามองให้มันเคลื่อนเข้าปากค่อยๆล้วก็แล้วก็เข้าใจความจริงครับ <c oughs> แต่ ก็ก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อก็รายการตามความจริงครับการสมาธิมันสตตสติอย่างน้อยสมาธิอย่างน้อยใช้ปัญญายังไม่ได้ผลดีเท่าไหร่ครับอาจจะใช้ปัญญาได้ผลต้องมีกําลังของสติสมาธิช่วยใช่ใช่แต่ว่าแต่มันดีมากเลยเพราะว่าตอนแรกพระอาจารย์บอกไม่เคลื่อนแต่พอพิจารณาเคลื่อนไปเนี้ยอปัญญามันก็ก็เดิน ทำงานได้ระดับหนึ่งครับอืมก็พยายามต่อไปพยายามต่อต้องยอมรับว่านี่คือข้อบกพร่องของเราแล้วต้องพยายามหาวิธีสู้กับมันให้ได้อย่าปล่อยเลยตามเลยเดี๋ยวกลายเป็นตุ่มนะอครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะมีคำถามาอยู่นิดนึงเออแหมือนครับผม คือบางทีบางครั้งเวลาทํางานเนี่ยเหมือนเหมือนคิดว่าเหมือนเรามีศัตรูหรือบางทีเราอาจจะพูดแรงไปเนี่ยแต่ว่าเราพูดได้จิตที่เมตตาเรา พ, พูดแบบว่าเหมือนเหมือนต้องการให้งานสวิตผลอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ได้พูดหลายใครแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาจะฟังเรื่องจริงไม่ได้เนี่ยคือเขาทําอย่างเขาพูดอย่างเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้สนใจคําพูดคนแต่ว่าพอมีคนมาแบบคอมเมนต์เราแล้วก็คิดว่าเออเราพูดแรงไปไหมแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเราต้องปรับตัวยังไงครับคาพูดแบบว่าคําพูดก็ต้องพูดอย่ไปให้กระเทือนใจคนที่เราคนที่เขาฟังเลยเราก็ต้องคอยดูว่าอถึงแม้มันความจริงบางทีก็ไม่ควรพูดก็ได้อถ้าไม่ถ้าไม่พูดงานมันจะไม่เสร็จอะไรเงี้ยครับอก็วันต้องพูดแล้วมันก็ต้องพูดอ เออถ้าต้องพูดก็ต้องพูดถ้าพูดแล้วก็อย่าไปหวังจะให้เขา่อใจไม่หวั ง, วงแต่ว่าบางทีคนอื่นเขาจะตัวเราแต่ว่าเหมือนมีใครพูดอะไรผมก็ไม่กระเทือนเท่าไหร่หรือครับ<ม>ว่าผมรู้สึกว่าเออเราเราได้ทําสิ่งเราคิดสิ่งที่ถูกต้องไง<ม>ไม่ถ้าเราไม่ทําแต่ว่าเราไม่ได้ไปเจ ต, ตนาใจมันไม่ได้มีว่าจะไปทําอะไรใครเร<ม>วก็ต้องยอมรับกับผลที่ตามมาเราทําอะไรแล้วเราต้องรับผลที่ตามมา เมื่อเวลาวเขาไม่พอใจเราก็รับว่าช่วยไม่ได้ก็ต้องต้องรับไปตรงนั้นก็คือตามนั้นมันไปตามตามธรรมะใช่ไหมครัไม่ได้ตามโลกใช่อหมอถ้าตามโลกมันจะแบบมันมันไม่ตรงอะ่ะคือไม่มีใครพูดตรงครับอ๋อก็มันก็มันแล้วแต่แล้วแต่ว่ามันควรจะพูดตรงก็มไม่ควรพูดตรงราบาอดีก็ไม่ควรพูดตรงแต่อย่าอย่าพูดโกหกก็แล้วกันยพยายาม พยายามออกพยายามเดี๋ยวต้องฝึกต้องฝึกใช่ไหมครับอพวกที่เราไม่ฝึกเสด็จชอบนึกอะไรมาพุ๊บก็จะพูดอย่างนั้นเลยใช่แต่ความไต่ตองก่อนใช่พูดว่าพูดไปแล้วมันเกิดคุณหรือเกิดโทษแล้วกิดโทษก็อย่าพูดดีกว่าใช่ก็ไต่ตองไต่ตองอยู่ครับหรือว่ามันพิจารณาแล้วมันต้องพูดแล้วโทษจะเกิดก็ต้องเกิดก็ยอมนับตอบโทษที่จะตามมา มันก็มีหลายหลายทางเลือกเข้าใจพอจะเข้าใจแต่ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องชอ็อเรื่องซื้อของคือวันก่อนที่ถามก็แบบคือพอพระอาจารย์พูดตบก็เลยเข้าใจเงเราก็ฟังเทพอาจารย์มานานแล้วแบบเห็นเรื่องประหยัดเรื่องซื้อของไม่จําเป็นเงยพอพอถามเราก็พอจะได้ทราบว่าอ๋ออันนี้มัน ฟุ่มเฟือยคือก็ก็เลยปกติจะเป็นเขาชอบช้อปปิ้งออนไลน์ก็คือเดือนหนึ่งก็เยอะมากแต่ว่าทีนี้เราก็เออมันไม่ได้จําเป็นบางทีมันฟุ่มเฟือยเงี้ยก็ก็เลยตัดก็คือจุดหยุดคิดว่าหยุดตัวเองอย่างเงี้ยครับอืมก็คือจะช่วยได้มากเพราะว่าตอนที่เราสั่งเราไม่มีสติแล้วมีความอยากนะฮะเราคิดว่าของนั้นมันจําเป็นมันต้องใช้แต่จริงๆแล้ว่มันมันแค่สิ่งชั่ววูบเองอย่างเงี้ย นี่แล้วละแสดง ว, ว่าเรามีสติมีปรรัญญาค่ายคนก่อนที่จะพูดการที่จะทำอะไรครับก็ก็มรู้สึกดีมากที่พระอาจารย์ถ่าสอนแล้วผมได้เอาไปคิดตลอดแล้วผมก็พยายามทําตลอดแล้วชีวิตก็รู้สึกก้าวหน้าขึ้นเยอะเลยครับตั้งแต่ที่ที่ได้รับการอบรมมาครับเป็นมงคลมากเลยครับยินดีด้วยทําต่อไปศึกษาต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากครับอาจารย์ ไปที่คุณหมอพุทัศรีสบายดีเลยคุณหมอสบายดีเจ้าค่ะนมัส ก, การท่านอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะโอเคอยังไปที่คุณปรางว่าอะไรเชิญคุณปรางแกล้งนามัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ขออนุญาตอ่าเอาคำสอนพระอาจารย์นะคะไปใช้ ตอนที่หนูไปงานศพอะค่ะจำเป็นที่จะต้องไปเป็นเจ้าภาพงานศพแทนผู้บริหารที่โรงแรมของพ่อของแม่พนักงานค่ะระหว่างที่ไปก็ใช้สติไปด้วยนะเจ้าคะแล้วก็ตั้งใจที่จะปรับไปพิจารณาเรื่องความตายโดยตรงค่ะโดยที่น้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าคุณแม่เขาเสียด้วยอวุบัติเหตุนะคะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุโดยสับพันก็คือขับรถกลับจากต่างจังหวัดแล้วก็ติดไฟแดงปรากฏว่า รถสิบล้อเจ้าคขาขับเข้ามาชนแล้วก็ก็ทําให้เกิดการกระทบกระเทือนหมดเลยค่ะก็คือโดนกระแทกแล้วก็กระจกมันก็แตกแล้วก็ทิ่มทั้งสองฝั่งเนี่ยค่ะสามฝั่งสามีเขาต้องคอยเอากระจกออกแล้วก็น้ําไปเอ่อแตกค่ะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลระหว่างนั้นนะคะหนูฟังไปเรื่อยๆะค่ะหนูหนูก็พิจารณาเรื่องเรื่องของความตายแล้วก็ ได้แชร์เอาธรรมะที่พระอาจารย์แชร์ให้ให้ครอบครัวเขาด้วยะค่ะว่าถ้าจะทําบุญต้องทํายังไงแล้วก็ให้เรานึกถึงความตายอะค่ะตอนสวดมนต์ค่ะก็ไม่ลืมนะคะที่พระอาจารย์เคยบอกว่าถ้าอยากจะรู้ความหมายอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยพระตอนที่พระสวดค่ะหนูก็เปิดเอาคำแปลมานั่งนั่งนั่งแปลด้วยว่าโสวดอภิธรรมเขาเขาสอนอะไรบ้างอ่ะค่ะหนูหนูมีความรู้สึกว่าหนูพอพอหนูไป ทำแบบนี้ค่รหนูซาบซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะพอกลับมาก็เราก็เอากลับมาคิดค่าว่าความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนค่ะเราสามารถที่จะเสียชีวิตได้เมื่มอไหร่จะเมื่อเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัต <haar> ิธรรมเราก็ต้องเล่งให้มากที่สุดค่ะแล้วก็กลับกับขอบพระคุณใช่ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส <found> <imat> นะตค่นสัญญาเย้าคนสัญญาเยาว<า> ไปการศึกก็จะไปล้อมห่มห น, น้องห้าเศร้าโศกเสียใจเราไปเพื่อไปศึกษาไปพิจารณาตรงสังเวชตรงสังขารตอนที่คุณยายเสียชีวิตก็หนูก็ไม่ได้ตอนนั้นหนูยังไม่ไม่รู้จักทำท่านพระอาจารย์นะแต่ว่าหนูหนูหนูหนูก็ยังง ง, งอยู่ว่าหนูไปหนูก็ไม่ได้เสียใจเพราะว่าคือ เ, อเราเหมือนเราซ้อมมาหลายมานานแล้วว่าอยากให้คุณยายคุณยายแบบไป โดยที่ไม่ต้องทรมานค่ะพอคุณยายเสียก็ไม่ได้แบบไม่ได้ร้องไห้แต่ว่าเหมือนเราตั้งใจตั้งใจทํางานศพให้คุณยายแล้วก็ไปดูร่างกายจับเนื้อท่านด้วยค่ะว่านิ่มอันนี้คือมันริ่มแล้วใกล้เป็นแข็งแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. อืมก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่พระอาจารย์แม่ตาแม่ค่ะตอนนี้ก็เป็นโจทย์อีกโจทย์หนึ่งเท่ากับไปอยู่กับแม่ค่ะก็จะให้แม่เขาไปศึกษาทำทีนี้แม่ก็ปิดใจค่ะ ทุกๆเช้าเมื่อเช้าไปใส่บาตรไม่ทันนะคะพะับใส่บาตรพระตามเสร็จนแล้วแม่คอยโทรมาแม่ก็เลยฝากมาขอโทษค่ะแม่บอกว่าพรุ่งนี้เอาใหมค่มค่ะอืมเด็ดอย่างน้อยก็จะอำให้เขามีมีวินัยมีควา ม, มกระตือหรือร้นที่จะทําทความดีนะคะเดี๋ยวท่านหนูกลับไปอยู่กับแม่หนูก็จะพาแม่ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปวัดไปบ่อยที่ใกล้ๆบ้านเด็ดแต่อย่าไปเป็นแม่แทนแม่เ มันยังต้องเป็นุ่งอยู่นะอันนี้แหละ<ร>อันนี้<า>มนะัดส่วนยากเลยเพราะต้องดูหนูหนูดุแม่บ่อยๆเราไปช่วยเราไปรับใช้แม่อย่าอย่าไปเป็นคนใช้แม่นะอย่าไปสัง่งแม่ให้ทำอย่างนู้นทํอย่างนี้ตช่ค่ ะ, ะหนูจะปฏิวัติตามค่ะแล้วก็จะวันทีความหวังดีของเรามันหวังดีเกินมันเืมตัวไป ห, หรือว่าเรามารับใช้เขาเราไม่ได้ค่ะเป็นเจ้านายเขา ใช่ค่ะหนูหนูมีอย่างนี้ยค่ะคือหนูเป็นคนที่ก็ค่อนข้างแบบจริงจังกับธรรมะนะจ๊ะคะพอเห็นแม่เขาแบบเออน้องชายเขาก็ติดคาราวเกะบ้านใหม่ให้อะหนูก็แบบเอะไอย่งนี้แต่หนูก็บอกเออแม่ไม่เป็นไรนะแม่แม่แมห น, หนูหนูจะตารางให้แม่แล้วกันแม่ถ้าแม่จะร้องเพลงก็ร้องเดี๋ยวถ้าแบบจะทาฟังทำหรือว่าจะปฏิบัติทำกับหนูก็เอสะดวกเมื่อไหร่ ก, ก็ก็มาก็มาทํากับหนูอะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็เริ่มแบบพยายามผ่อนผ่อนขึ้น อย่าไปบงังคับเขานะปล่อยเขาตามศรัท ธ, ธาเจ้าค่ะขอบพคุณเจ้ค่ะตอนนี้ยังอยู่ก่อนนะคะตอนนี้ยังมีกิเลสกุมอยู่ยังเสียดายเงินอยู่ค่ะแล้วก็ยังมีจังหวะที่ยังได้เรียนกับพระอาจารย์อยู่ค่ะค่ะขอบคุณเจ้ค่ะอ่าสาธุดาวแต่ี่คุณมาเลยพุทากาศกลับหลองพ่อค่ะ เออว่ายัางไงสบายดีนะสบายดีค่ะวัด<ม>ที่แล้วเข้าไม่ได้ค่ะเด้อค่ะก็ฟังอยู่ข้างนอกค่ะแล้วก็เสาเดีก็อยู่วัดม้าเดี๋ยววันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะ้ะค่ะหลวงพ่ออืมวัดที่ไกลไปเนี่ยเหรอใช่ค่ะ<ม>ก็อยู่ไปอยู่ที่ศาลาตอนคืนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ได้<ม>การปฏิบัติก็ดีมากๆค่ะหลวงพ่อ<ม> Mm hmm. ดีดีจนตอนนี้เหมือนพอทําธุระธารกิจอะไรเสร็จก็เหมือนหนูต้องวิ่งมากลับมาหาอันเนี้ยค่ะสิ่งที่เราต้องมีหน้าที่ทําทุกวันมันมันปิยิ่งปฏิบัติมันยิ่งดีค่ะหลวงพ่อใจใจก็เวลาอยู่กับคนหรือว่าอยู่กับที่ทํางานนะ่ะมันเหมือนต้องปิดวาจาไปเลยอะค่ะหลวงพ่อก็คือไม่เหมือนกับที่ คุณเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่ที่บอกว่ากับเพื่อนร่วม ง, งานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่ต้องไปตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความสุขกับกับสิ่งที่เรามีอยู่ในจิตใจอ่ะค่ะหลวงพ่ อ, อค่ะตอนนี้ก็าสุขเราใจเราก็เฉยเฉยได้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็หนูที่เคยเรียนหลวงพ่อว่าหนูทําที่ปฏิบัติของหนูอะ ก็เริ่มเริ่มแล้วค่ะหลวงพ่อดีค่ะค่ะหลวงพรอรออยค่ะเป็นเป็นบ้านเล็กๆนี้อเป็นกุดติเล็ๆใช่ค่ะเป็นเป็นเป็นกุดหลังเล็กๆค่ะกว้างประมาณเนื้อที่ประมาณห้าคูณห้าเมตร่ะค่ะหลวงพ่อดอค่ะมีห้องน้ําในตัวมีห้องน้ําในตัวเสร็จต้องต้องเดินเดินออกมาเหมือนอยู่อยู่ในสวนนะคะตอนกลงคือนะคะหลวงพ่อก็ดีค่ะหลวงพ่อหนูก็จะได้ฝึก ด้วยค่ะกลางคืนเวลาเราออกมาอย่าเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อยู่ในบริเวณบ้านนะคะหลวงพ่อ่ีแยกเป็นค่ะแล้วก็ถ้าถ้าหนูปฏิบัติแล้วก็ถ้าสมมติว่าติดขัดหรืออะไรเงี้ยหนูก็ไปอยู่วัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดหนูมีโอกาสหนูก็จะไปไปที่เขาเชียวนบ้างแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะไปกราบหลวงพ่อเหมือนเดิมค่ะ ถ้ามีทางเดินยงผมด้วยก็จะดีนะถ้าทําดังเดินยงอมได้มีมีค่ะหลวงพอ่อก็คือคือบริเวณบ้านมันหลังไม่ใหญ่ก็คือทําบริเวณอันนั้นนะ่ะเผือ่อเผื่อไว้ด้วยะคะคู่ ข, ขนานคู น, นกับบ้านไปก็ได้ค่ะหลวงพอ่อทําแล้วทําแล้วค่ะรอรอแค่จะเสร็จเนี้ยค่ะช่วงวันหยุดก็วิ่งไปปฏิบัติไปอยู่วัดนะคะหลวงพอ่อไป อยู่คนเดียวไปอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีใครมาลบมากวนดีค่ะหลวงพ่อปฏิบัติได้เต็มที่ค่ะอืดีมากมีมีความสุขค่ะหลวงพ่ออืมใจสงบครับสุขที่สูงที่สูงสุดก็คือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยค่ะแล้วแล้วถ้าเกิดมันมีความรู้สึกว่าเราสนุกกับการปฏิบัติอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นเป็นกิ เ, นเลสไหมคะไม่หรอกเป็นเป็นธรรมเกิดปฏิบาติสีขึ้นมา กับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขึ้นมาแสดงว่าใกล้ใกล้ถึงใกล้ถึงฝั่งแล้วถ้าปฏิบัติธรรมแล้วมีความสุขแสดงว่ามันก็มีความสุขค่ะลันก็แสดงว่ามันมันมันมันไม่อยากจะไปหาความสุขจากนั้นเลยนะมันมันไม่อยากมันจะไม่ไปทางไหนเลยพ่อมันมีเวลาว่างมันก็จะวิ่งวิ่งไปเข้าทางนี้อย่างเดียวค่ะแล้วกอ นี่ละใกล้ละอิธิบาทเกิดขึ้นละอิิบาตสท่านท้าความรักความชอบวิริยะความเพียรกิตตะความจดจ่อตั้งใจมีบางสากลิขิตเรื่องปฏิบัติไม่คิดถึงเรื่องอย่างอื่นละค่ะไม่ไม่คิดแล้วค่ะหลวงพ่อแค่ทำหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเสร็จก็วิ่งเข้าทางนี้เลยค่ะหลวงพ่อมันมันมีความสุขค่ะหลวงพ่อ มันก็มีเรื่องอะไรเข้ามาแต่ว่ามันอยู่ที่ใจถ้าเราวางใจได้มันก็ไม่ไม่พุกมันอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดใช่ไ่มค่ะหลวงพ่อเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับมันทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วมันก็มีดับเนี่ยก็คิดอยู่ประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อเกันตาทุกอย่างเปิดแล้วน็ีดนี่ยกอยู่ปานีค่ะหลวงพ่อเกิด้ามดี๋มันก็ต้องคับมันทุก่งทุก่างเกแล้วมันก็มีดั่ยดอยู่ประมานี้ค่ะหลวงพ่อเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้อง <Okay. S 2> สวายใจค่ะมีความสุขขอพ่อคุณหลวงพ่อมากมากค่ะสาธุาสาธุค่ะนี่คุณภูต่อคุณภูอยู่ที่ไหนเคยเข้ามาแล้อยังกราบนมำพราการทับหลวงปู่ครับอ่าอ่พพพาพระอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินอ ย, อยู่ที่ไหนครับผมเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งที่สองครับพระอาจารย์ครับอ ครับผมมีอะไรไหมวันนี้อ๋อวันนี้ไม่มีอะไรครับเข้ามาฟังเฉยๆครับทาจันทร์ครับอ่าโอเคอังรู้เรื่องไหมครับก็ก็รู้เรื่องครับโอเคนะได้ประโยชน์นะครับผมโอเคฟังต่อไปการสอนครกครับอ่าไว้ที่คุณฝนสอนคุณฝนวันนี้อยู่นอกบ้านนะ อยู่ที่บ้านเาค่ะพระอาจารย์ก็คงเหมือนหลุดไปเหมือนเดิมนะคะก็เลยมันหังแต่ไม่เป็นไรเจ้าค่ะก็ได้ฟังธรรมด้วยแล้วก็วันนี้คงต้องมีเรื่องต้องกราบเรียนพระอาจารย์นะคะเพราะว่าเมือ่อวานนี้มีบททดสอบใหญ่เข้ามาเพราะว่าคุณพ่ อ, อล้มหงายหลังค่ะแล้วก็หัวฟาดพื้นเลือดออกที่สมองค่ะส่วนหน้ากับด้านข้างแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ตอนเกิดเหตุก็ ตกใจแต่ว่าก็โอเคเรียกรถพยาบาลมาก็ด้วยความที่หนูต้องดูแลคุณพ่ออยู่คนเดียวอยากเรียกดูคือเหมือนว่าก็เป็นคนรับผิดชอบอะค่ะก็ขึ้นรถพยาบาลไปคุณพ่อแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลด้วยกันด้วยตลอดจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็อแต่คุณพ่อก็ยังมีสติดีนะคะคือตอนที่ตอนวูบไปก็ก็วูบไปแต่ว่าแป๊บเดียวก็รู้สึกตัวค่ะทีนี้ anyway ก็ อระหว่างที่หนูรอหน้าห้องฉุกเฉินซึ่งเดี๋ยวนี้หนูก็เริ่มชินกับการไปโรงพยาบาลบ่อยๆ อ, อย่างนี้แล้วะคะ่ะหนูครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะถือว่าค่อนข้างจะหนักหนาเหมือนกันแต่ว่าหนูใช้วิธีภาวนาตลอดเวลาเลยค่ะพระอาจารย์หนูภาวนาพุโทโธตลอดเวลาที่ที่อคือต้องหนูรู้เลยว่าเวลานี้เป็นเวลาที่หนูต้องมีสติมากที่สุดนะคะ่ะไม่ก็เลยต้องภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอะคะ่ะถ้าเกิดสมมุติว่า ใจเริ่มจะฟุ้งไปคิดมากที่ทําให้ไม่สบายใจหรือเป็นเป็นไปไ ป, ป, ปคิดเรื่องอื่นนะคะที่จะเป็นทุกข์ก็จะรีบกลับมาอยู่ที่พุทโธอะคะ่ะระหว่างนั่งรอคุณหมอเลียะคะ่ะทุกอย่างนะคะแล้วก็แต่ว่าถามว่ามันสงบไหมมันมันไม่ได้สงบนะคะเพราะว่าใจลึกๆเราก็มีความไม่สบายใจค่ะแต่ว่าก็รู้ว่ามีความไม่สบายใจก็เลยพยายามที่จะกลับมาอยู่กับพุทโธตลอดเวลาะคะ่ะพระอาจารย์อืม ดีพยายามรักษาสติไว้ให้ใจแนงสงบก็ใช้วิธีนี้ตลอดเลยค่ะแล้วก็คือช่วงไหนที่เริ่มจะคิดฟุ้งอะค่ะก็จะจะใช้ปัญญาเลยว่า ม, มันก็คุณพ่อวันนึงก็ก็เป็นท่าสี่ดินน้ำลมไฟนะวันนึงเขามาเขาก็ต้องไปอะค่ะก็โน หนูใช้ทุกสิ่งอย่างที่ได้ฟังคําสอนจากพระอาจารย์มามาคิดเมื่อวานนี้ตลอดทุกอย่างเลยอะเอากลับเอามาแบบ mm hmm. ทั้งปัญญาทั้งสติทั้งปัญญาเอามาหมดเลยอะคะ่ะแล้วก็วันนึงหนูก็ต้องไปแล้วก็หนูก็เข้าคุณพ่อยังมีสติะคะ่ะแล้วก็เข้าไปถามเลยถามป้าว่าป้าก็แล้วก็บอกบอกเขาด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เขามีเลื่อดออกในสมองนะเขาก็ มีสติรู้เขาก็บอกเอาลอ้อแล้วบอกโอเคก็เลยถามเขาว่าถ้าเกิดว่าต้องผ่าจะผ่าไหมเขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมเหมือนเรื่องโรคหัวใจเขาบอกเขาไม่ผ่าเขาเขาก็ยังหัวเราะได้ยังยิ้มได้ยังอะไรได้ก็คือเขาพ o s i t i v e อะค่ะแล้วก็เลยหนูก็ก็แบบหนูก็จะทําตามเจตนาลมของเขาว่าถ้าเกิดว่ามันโกซ e r i o u s กว่านี้แบบหนักกว่านี้อะค่ะก็ก็แต่นี้ไม่ทําอะไรแล้วก็หนูก็นึกถึงคําที่พระอาจารย์พูดแล้วว่า มันไม่ได้บาอ่ะค่ะเทาเราแค่หยุดการรักษาเท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายไปตามธรรมชาตินะคะก็ห น, หนูหนูคิดถูกใช่ไหมคะ่ะพระอาจารย์ถูกต้องนะดีกว่าไป <c oughs> ยืมันแล้วไปทรมานแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันก็ตายอยู่ดีตายชา้าตายเลยว น, นั่นเหนูก็คิดเช่นนั้นนะคะพระอาจารย์หนูก็แบบอืมันใจมันมันมันก็นเป็นความทุกข์อะนะคะเราเห็นคนที่เรารักเป็นอย่างนี้แต่ว่าอีกใจหนึ่งหนูก็ เข้าใจอ่ะค่ะเราก็ไม่ได้คิดจะไปแบบยืยยุดฝืนฝืนความเป็นธรรมชาติอะค่ะหนูแค่คิดว่าเวลาก็ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ถึงเวลารักษาได้ก็รักษาไปไว่าขับประคองไปได้ก็ทําไปค่ะค่ะมันก็มันก็ไม่ได้ถึงกับแต่ว่ามันเหมือนมันมีสติอยู่เกือบเกือบจะตลอดเวลาเลยค่ะก็เป็นเทว่ากับความตายก็เป็นการไปเปลี่ยนร่างกายเท่นั้นเองเหมือนกับเรา เปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนเอา ว, วิทยาวะ<ช>นี่เราเปลี่ยนทั้งร่างกายไปเลยใช่ค่ะหนูคิดหนูคิดเรื่องนี้ค่ะก็คิดถึงว่าเป็ดมันเป็นธาตุสี่ดินน้าลมไฟเหมือนที่พระอาจารย์บอกแล้วก็<ม>ถึงเวลาเขาก็ต้องไปเปลี่ยนร่างกายอะค่ะเดี๋ยว<ม>เยวก็ถึงเราเหมือนกันนะค่ะก็<ม>นั่งนั่งคิดเรื่องนี้ไปด้วยเมื่อวานนี้แต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้เวลากับพูดโทษษะะอ่ะค่ะเพราะว่าบางทีมันก็ ม, มันไม่ทันนะค่ะคิดไม่ไหวเหมือนกันอะไรอย่างเ<ม><ม>งี้ยค่ะก็ แตคิดทุกอย่างคิดถึงพระอาจารย์เมื่อวานแล้วก็นั่งทําสมาธิไปด้วยแล้วก็ภาวนาคุณทบไปด้วยหนูนั่งอยู่คนเดียวเลยอ่ะระหว่างหน้่งคือไม่ไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะก็ก็ภาวนาไปแล้วกันเพราะว่าจะไปคิดถึงอนาคตในสิ่งที่ยังไม่เกิดก็ไม่รู้จะคิดไปทําไมเพราะว่าพระอาจารย์ก็สอนหมดแล้วทุกอย่างฟังมาหมดแล้วถึงเวลาต้องเอามาใช้ก็ได้เอามาใช้นะคะ่ะพระอาจารย์รักษารักษาใจให้สงบ คอยาก<ล>คิดจะทำอะไรก็แล้วแต่เหตุการณ์ถึงเวลาต้องคิดต้องทำอะไรก็คิดไปทำไปแต่ทำด้วยความสงบนิ่งก็ทีละสเต็ปทีละอย่างเอาตอนนี้ปัจจุบันคุณพ่อก็ยังโอเคอยู่คือขนามีเรื่องออกในสมองแต่ก็ไม่ได้ไม่เหมือนมันเหมือนคนปกติอะคะ่ะพระอาจารย์หนูนก็เลยเออก็โอเคทุกอย่างวันต่อวันแบบนี้ค่ะ ถึงเวลาเดี๋ยวต้องตัดสินใจเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่าเพิ่งไปคิดอะไรล่วงหน้าอยู่กับปัจจุบันนะค ะ, ะ, ะแล้วก็รักษาใจเราไปพร้อมๆกันด้วยค่ะก็ก็หนูก็คิดว่าเอเพราะว่าหนูได้ได้มาหนูเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์แล้วอย่าต้องไม่ให้เสียชื่อต้องเอามาใช้แล้วะว่าตอนนี้ต้องต้องเอาสิ่งที่ท่านสอนมาใช้ให้หมดเลยอะคะอ่ะก็ได้หมดเลยค่ะก็ก็หนูก็ต้องรักษาใจพระอาจารย์อบอกใจเราต้องผ่านาจเราต้องเย็นสบายไม่ ไม่วุ่นวายอ่ก็อาจจะยังไม่ถึงเย็นสบายมากแต่ก็กลับมาบ้านก็ก็ยังนอนหลับอยู่ค่ะก็ภาวนาพุทโธไปนอนหลับแล้วก็เช้าตื่นมาเหมือนอาจจะมีความกังวลนิดนึงก็เลยคิดว่ามานั่งสมาธิดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็นั่งได้แป๊บเดียวแล้วก็วันนี้หนูก็ไปทํางานปกตินะคะพระอาจารย์ไปทํางานปกติเลยแล้วก็งานก็ไม่ได้เสียค่ะมีมีสติกับการทํางานไม่ได้ไม่ได้คิดฟุ้งไม่ได้ไม่จําเป็นก็ไม่ค่อยคิดเรื่องอื่นค่ะหรือก็ ไปยกเว้นว่าเออเราก็จะไปทางลูกเสียงกินรถโผล่ทัพพะอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าถ้าจะไปคิดเรื่องฟองสั้นอะไรมากมายก็จะจ ะ, จะกลับมาพูดโธทะค่ะพระอาจารย์โอเคดีมากค่ ะ, ะเลยมากับเรียนพระอาจารย์ไว้เนี่ยค่ ะ, ะว่าค่ะพระอาจารย์ทำหน้า<ข>ที่ของเราให้เต็มที่นะทำหน้าที่ลูกให้เต็มที่ดูแลพ่อให้เต็มที่ค่ะก็จะเราก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจอ่ะค่ะถ้าเกิดมีอะไร ทำดีแล้วอะค่ะพระอาจารย์อื okay. นึกถึงเวลาค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากที่ให้สั่งสอนหนูอะค่ะขอบพระคุณจ้ะจเราทุกคนยังต้องเจอข้อสอบเหมือกันนันรีบทํางานบ้านกันไว้ก่อนนะค่ะก็ทําแล้วแล้วคุณพ่อหนูเขายังยิ้มรับได้อะค่ะยิ้มรับไดไ้ไม่มีแบบ ค, คั้มขวดคืน แต่ไหนไม่มีเลยค่ะพระอาจารย์แต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะคะแต่หนูก็บอกเขาเสมอว่าเขาคงจะมีปัญญาเขาคงจะเห็นความจริงเขาก็บอกว่าเขาอยู่เกินพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าแปดสิบเขาอยู่มาแปสิบแล้วเขาคุมแล้วชีวิตนะคะเขาคงจะเตรียมตัวมานานแล้วล่ะเขาถึงรู้สึกเฉยๆกับมันเขาเฉยๆทุกครั้งค่ะเจาะเลือดเจาะที่เคยอดโค้นเลยค่ะไม่เคยไม่เคยเจ็บอะไรก็อแสดงอาการว่าเขาได้ทํางานบ้านมันดีนะ ตอกข้าว้องสอบก็เลยสบายอหนูไม่รู้จะได้อย่างเขาเลยหรือเปล่าจ้าการก็ต้องดูต่อไปเราเป็นคนตรวจข้อสอบเองเดี๋ยวเราก็รู้เองหนูก็เลยเอาฉั้นขอสเต็ปนี้ก่อนให้ผ่านเรื่องของเขาให้ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็อะไรจะเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ก็ดีเกิดก็ก็รัก็รับรู้แล้วกันว่าเกิดโอเคก็ผ่านไปแล้วหนู คนพระจาร์เราเจ้าขาพระอาจาร์หนูกลับเรียนเท่านี้เจ้าค่าได้ได้จสาธุขอให้หายถ้าหายได้ก็ขอให้หายนะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุไปที่คุณจอยพัทยาไปงานจอยลูกชายนอนแล้วเหรอยังไม่นอนค่ะอยังเล่นอยู่กับพ่ อ, อ, อพี่ตอนเช้าทําท่านไม่ไม่ตื่นชายบ้านนะ เขาเป็นตลอดจนไม่รู้จะว่ายังไงแต่ว่าก็พยายามแบบว่าหนูพยายา ม, ยายามแล้วว่าต้องต้องเห็นใจเขานอนดึกแล้วไปปลุกเขาแต่เช้ามาก็เก<ะ>็ง่วงเงี่ยบ ต, ตอนนี้ปรับจะให้นอนเร็วะค่ะเพราะว่าไม่สบายหมอเขาบอกว่านอนดึกไปสายเก้าโมงว่าคนจะให้นอนแล้วแต่ เ, เล่นอยู่เลยค่ะเดี๋ยวพอหนูคุยสุดหนูจะผ่านนอนโอเคะ <Okay. S 2> ส่วนตัวนหนูก็ ปฏิบัติเออแต่ก็ดีค่ะปฏิบัติไปแล้วมันไม่ค่อยอยากคุยกับใครเริ่มคุยน้อยลงไม่อยากฟังเรื่องใครมันเริ่มน้อยลงค่ะดีดใครพูดอะไรมา ก, กมากก็รู้สึกลำคารลำคานใช่ใช่ค่ะบพูดไปทำไมจะพูดจะพูดอะไรพูดกันไปว่าคนโน้นว่าคนนี้ใช่ไม่เคยว่าตัวเองเลยใช่คนเราเนี่ยก็ <laughs> เลยแบบฟังเยียบเยียอย่างเดียวก็ไม่ไมพูดเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มเขา้าแว่า เข้าใจธรรมะเราเป็นยังไงธร<ะ>รมะคือความสงบนี่เอ ง, <ะ>องโอสมาธิทุกเชา้าค่ะต่อไปก็เพิ่มเพิ่มกลาวันเย็นโอเคสาคุณพิสิทธ์สกล น, นครดังมุ้งมาเหรอเนี่ยอะไรพระอาจารย์ครับกล่าวนาฏการพระอาจารย์ครับก็ฝึกสมาธิอยู่ทุกวันครับรพระาอะระาจารย์ เป็นรครับะ<น>อ๋อเป็นเป็นมุงครับพระอารเปร็นม้งครับก็ฝึกสุกวันก็พยายามเอาคำสอนของพระอาจารย์ที่บอกว่ า, ารู้อยู่เฉยๆคำธรรมถ้นรู้อยู่เฉยๆแล้วก็ยังยังไม่ทันได้รวมรวมลงเป็นสมาธิแต่ว่าถ้ า, าพยายามวางจิตให้มันเฉยๆก็ก็จะก็จะ เ, เห็นจิตที่มันอยู่ข้างนอกนั่นแหละ ตัวที่ระวังรู้อยู่เฉยๆมันจะดึงเข้ามาข้างในครับอาจารย์ที่ผมเห็นนะอืงความร<ด>ู<ะ>้สึกนะคมันก็อยู่ที่ว่าอะไรมันกระทบกับเราหนักหรือเบาแล้วเรายังจะอยู่เฉยๆได้ป่าอันนั้นต้องไปทดสอบดูจริงๆครับมันเคยเออพอรู้อยู่เฉยๆไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันลงไปเคยลงไปตรงที่ว่าึคําบริกรรมพุทโธพุทโธมีแต่คําบริกรรมพุทโธนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่เอ่อเสียงข้างนอกอะไรไม่มี มีมีแต่คําบริการบูทัวร์แต่มันยังไม่ทันรวมลงก็ก็จะกลับ ข, <า>ขึ้นมาวันวานตามต่อไปตามต่จะประมาณนี้นะครับครับยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางครับครับก็ก็เรียนผู้จารย์ประมาณนี้ครับอืับอขอบคุณผู้จารย์ครับอคุณเซลเมย์หนึ่งสองสามส่วนได้ยินไหมนั่นขอบ พ, พัพแผ่นนอนขอบนอนขอบครูนิ่งเลยครูนิ่งหลัก ลบนะแล้วเดีด๋ยวผ่านไปก่อนเดี๋ยวว่ยกลับมาคุณยังไงอาเี่คุณจีบก่อนนะจีบกลับธรรมส ก, การกับพระอาจารย์พระอาจารย์ได้ยินโยมไหมคะอ๋อชัดเจนมากผิวกลาขนาดเี้ใาร ย, ยังได้ยินเลยเ <c oughs> อาขอบคุณเทคโนโลยีค่ะ ว, วิเศษจริงๆนะโลกเราเนี่ยใช่ค่ะแต่วาโโถ้ามีเทคโนโลยีให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ยิ่งดีเยนะ สาธุเลยค่ะอยากจะมีประตูแบบหลุดไปเปิดปุ๊บมีผ่านเลยเแต่ก่อนไปขอเปิดประตูเราไปากราบพระอาจารย์ก่อนนะคะบอกว่า อ, อ, อยากกราบัจริงแต่ว่าปีไม่ทราบว่าปีไหนจะได้ไปคงนานจะได้แบบอีกทีก็คงปีหน้าอย่าไอยากเลยอย่าไปอยากเลยความอยากไม่ดีแล้วความอยากเป็นทุกใช่ค่ะรู้สึกว่ามัน คือช่วงนี้มันมีโอโหแบบหลายอย่างมากถึงแม่ยมแบบเห็นคุณพ่อคุณแม่บางทีแบบเห็นท่านอื่นคุยกันเรื่องคุณพ่อไม่สบายคุณแม่แบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะยมก็มาสะท้อนมองคุณพ่อคุณแม่ตัวเองก็แบบเออท่านก็แบบสังขารก็ไปเหมือนกันอะไรเงี้ยอะไรที่เราทำให้ท่านมีความสุขถึงแม้จะอยู่ที่สั่งไกลอ่าง ก, ากันก็ก็ทําให้เขายิ้มได้อะไรเงี้ยคงทําได้ทีที่สุด นาตอนนี้คือแบบเนี้ยค่ะพระอาจารย์ภาคปฏิบัติยังแบบไม่ได้ก็ต้องเป็นภาคแบบกําลังเสริมเขาเลยบอกว่าครับทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนก็แล้กันค่ะก็ะป๋อให้ท่านแต่คุณแม่เขาก็ฟังพระอาจารย์บ่อยนะคะแบบไปฟังคลิปสั้นๆของพระอาจารย์นะคะแล้วแม่ก็จะมาบอกว่าเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยพอพโยมพอโยมเขยดใช่ไหมแม่ก็บอกจำไม่ได้หรอที่พระอาจารย์บอกว่ายอมหยุดเย็นอย่างนี้ ยังก็โอเคใช่ใช่ใช่ใชก็อกเออก็ดีใจที่คุณแม่เขาแบบฟังแล้วก็แบบลดทิฐิลดแบบลดอัปตาลงมาอะไรเงี้ยค่ะอืมก็กังขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะเพราะว่าแบบไม่ว่าจะมีบททดสอบอะไรมายมแบบเหมือนความสุขตอนแรกคิดว่ามันเราเหมือนกราฟความสุขเหมือนขึ้นไปแล้วแต่มันเหมือนแบบเออมันก็ต้องมีอะไรดึงลงมาทําให้รู้สึกว่าเออมันก็ทุกอย่างมันตั้งอยู่ดับไปจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ ก็เลยไม่มีอะไรค่ะมีดวงตายเห็นทำนะค่ะก็เลยแบบเออสุขสุขก็อยู่ไม่นานทุกก็อยู่ไม่นานแต่แต่สิ่งที่เดียวที่อยู่นานก็คือคงเป็นนิพพานที่เราจะแบบมุ่งมั่นไปอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ก็ก็ต้องรอรอแบบถ้าเอาที่ตัวเองแบบโอ้นเทปของตัวเองอะค่ะว่าแบบทําได้ดีที่สุดแล้วก็ทําให้มันดียิ่งขึ้นนะคะพระอาจารย์ ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะอาจารย์ขออาจารย์ท้าแข่แข็งแรงนะเจ้าค่ะอันนี้กินกับจะใกล้เที่ยงแล้วนะงมันได้ตอนนี้ที่นี่สิบเอ็ดโมงคือใช่ค่ะัก็ภาพเท่งเช้าแล้วนะโอ้โหยมน้งฟังอาจารย์เมื่อกี้แบบยมก็แบบแอบสดน้ำนิดนึงก็แบบเออท้องมันยังไม่ได้ทานข้าวเช้าใช่ไหมคะท้องก็แล้วอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรพุทโธพุทโธพุทโธหิวก็พุทโธพุทโธยมก็แบบพอติดแล้วพุทโธแต่ท้องมันดัง เรื่องของมาไปโอเคก็ใช่ค่ะยงก็ฝบบโหจะไม่ให้พักเลยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเครื่องที่วางก็ได้กินแล้วใช่ค่ะไม่ไม่รีบควผ่าอาจารย์ค่ะขอบคุณนะเจ้าค้าอาจารย์ค่ะกรรมนวัตการค่ะครูเน่งกลับมาครูเน่งต่อเมื่อกี้เห็นนอนหลับนอนนานหน่อยนะนอนนานเราเราเราเหือบจะหลับเหมือนกันเนี่ยฟังฟองไวเมื่อกี้กันครับ ที่เรไปหพาพระอาจารย์ก็ฟังเพลินไปด้วยค่ะแล้วก็คิดหพาพระอาจารย์เพราะว่าก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะคะสนุกดีอืมทั้งพอได้ยินอ่าพ่อลื่นล้มแล้วก็เล่นกับกับเหลนบอกเลย ว, ว่าอย่าทํำเขาก็ไม่เชื่อเก้าสิบแล้วค่ะก็พอปล่อยแล้วหนูก็นั่งพิจารณาว่าอ๋อกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วเป็นแบบนี้ก็ก็ปล่อยับพระอาจารย์เพราะว่า คุมอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเขาปวดก็มันเราก็คิดบ้านแล้วก็ทําเต็มที่แล้วมันก็เป็นเรื่องสังขารของใครของมันนะคะพระอาจารย์หนูก็คิดแบบนี้ก็ได้แค่แบบอ่ะโอเคอะไรจะเกิดมันก็เกิดก็ไม่ได้ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ก็ดูแลกันไปค่ะใจก็เบาก็เบาลงเยอะนะคะพระอาจารย์คือด้วยความที่ห่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ มั น, น, นมั น, อ, นอยลงค่ ะ, ะ น, น้อยล ง, งครับพระอาจารย์ทุกอย่างมันต้องห่วงความจริงทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของมันใช่ไหมค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไม่เป็นไรก็สบายใจคระบผูอาจารย์ก็ไม่ได้อะไรมากอืมไม่ได้โกรธหรือห่วงไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรความจริงก็เป็นค<อ>วามจริงของมันนี่อ๋อใช่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าช่วงนี้ก็ลูกหลานเต็มบ้านครับผู้อาจารย์เห็นวันก่อนพาเด็กมาสองคนนะ ถามเมื่อกี้เนี่ยเขาฟังเขาบอกว่านานไหมโอ้ยยายายนานไหมบอกก็นานโอ้ยถ้าอย่างนั้นหนูไปนอนก่อนเขาว่าอย่างเนี้เด็กก็ไปแล้วสองสองคนนะคะอาจารย์ถ้าดูาดูการ์ตูนค่ยั ง, ยงไม่ไปถ้ามีการ์ตูนดูเนี่ยใช่ของอาจารย์เก็ไปเขาก็กมากามเขาว่าหนูไปก่อนนะเขาว่าอย่างเงี้ยอ่ะก็ไปเขาก็เลยไปกันค่ะพระอาจารย์เอ่อแล้วก็มีเมื่อวานค่านอาจารย์หนูก็ได้สังเกตใจของตัวเอง พอไปเดินออกกําลังกายนะคะตรงตรงชายหาดเราก็นั่งมองขึ้นกระทบฝั่งอะคะ่ะพระอาจารย์พอดีมีมีมีมหมอจีนคนหนึ่งที่เขามาบําบัดเขาบอกว่าตรงนี้มันมีอนโอโซนอา่าแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเขาแพ้เขาแพ้แพวัคซีนเขาบอกว่ามานั่งเพื่ออา่าตรงนี้มันเป็นหลุมเป็นบ่อลงหนูก็ไม่เข้าใจเขาบอกว่าเดินตามมา แล้วทีนี้เราจะเดินไปยังไงเพราะว่าขึ้นแล้วมันเป็นโคดหินเย อ, ะ, อะแล้วมานั่งสังเกตดูว่าขึ้นที่มันมาแรงตรงช่วงที่วัดจังหวะมาแรงเนี่ยเราไปไม่ได้มันจะมาครั้งที่สองก็ขนาดกลางครั้งที่สามก็ค่อยๆอ๋อต้องไปช่วงนี้เขาก็บอกว่าคุณต้องเดินประมาณช่วงนี้แล้วทีนี้เราก็มานั่งคิดถึงชีวิตของคนนะคะอาจารย์ว่า มันก็มีแบบนี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ระมัดระวังมากมันก็จะตัดไปหรือไม่เราตกลงไปนี้เราก็แค่ตายเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตหนูก็คิดอยู่แค่นี้ยค่ะพระอาจารย์ว่ามันก็มีเท่านี้เหรอที่ดิ้นรนมาทั้งชีวิตแล้วก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้อ่ะค่ะพระอาจารย์ก็เลยมานั่งพิจนารณาแล้วก็เราไม่คิดถึงความตายตัย้งแต่เริ่มต้นเ น, นี่ยเรามาคิดถึงตามไป คิดแต่เริ่มตอนเราก็รู้ว่ามันก็จะต้องเป็นแบบนี้ค่ะค่ะพระอาจารย์หนูก็คิดแว บ, บขึ้นมาแล้วก็อ๋อไป น, นั่งฟังพระอาจารย์ทุกครั้งเราก็ได้ทุกครั้งแต่คือไม่ได้ทั้งหมดแต่มันก็ค่อยๆไปทีละนิดทีละหน่อยมันเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งแต่รู้ว่าใจเราอะ่ะมันมันว่างแล้วก็มันเบาขึ้นเยอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. บางทีเห็นก็เห็นคนเยอะแยะ ใกล้สุดมาเราก็ไปด้วยกันหมดแต่ว่า mm hmm. จะชา้าจะเร็วแค่นั้นนะคะพระอาจารย์มันก็ได้อะไรอะไรเยอะมากเลยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆให้ลมประพัดหน้าแล้วก็คิดคิดไปครับพระอาจารย์เริ๋ยวพอไปคิดไปเอา้าเราเดินไปแบบนี้เราก็ต้องพูดโทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูใจอีกค่ะพระอาจารย์ว่าอ๋อเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวหลุดสติหลุดอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ mm hmm. เหมือนทํางานที่บ้านเหมือนกัน พูดโทผู้โทไปอันนี้ก็ทบเข้ามาอ่ะไปแวบๆหนึ่งอันนี้เข้ามาอ่ะมาให ม, าอนนามา่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็คือเหมือนกับตามรู้ใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาพยายามทําสติอะค่ะพระอาจารย์อืมอันนี้เนี่ยก็คือว่าหนูก็คิดว่าในในตอนนี้พอเราจะนั่งหรือว่าจะทําอะไรมันก็เลยแบบว่ามันเบามากยิ่งขึ้นเจอปัญหารเรื่องงานที่คนอื่นทําหนูก็อ่ะอยากเอาไปก็ไปอยากทาอะไรก็ทําไป แล้วก็มาดูใจที่ตัวเองว่าเราจะไปแบบไหนต่อค่ะพระอาจารย์ก็เลยมารู้ว่ามันไม่มีอะไรที่ที่เราควบคุมได้สิ่งที่ควบคุมได้ที่สุดก็คือใจของเราเองนั่นเองค่ะอาจารย์แต่ก็รู้ว่าใจเนี่ยก็เพิ่มอยู่ตลอดเวลาขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลาคับอันนี้เนี่ยก็คือว่าเราเริ่มที่จะ คือเข้าใจในเรื่องของปัญญาเกิดปัญญาได้ไหมค่ะค่ะพระอาจารย์เกิดปัญญาเรื่องเรื่องใจเรื่องเรื่องขันเรื่องเรื่องธาตุขันเรื่องใจนะส่วนไหนเราก็ควบคุมได้ส่วนไหนเราควบคุมไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะก็เลยไม่คิดจะควบคุมอะไรมากหรือว่าทําให้ตัวเองเป็นทุกข์มากแล้วค่ะพระอาจารย์อ่ะมันเกิดมาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นแบบนี้อยู่มันตลอด เราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้เลยค่ะพระอาจารย์ทั้งๆ้งที่คิดว่าทําดีที่สุดแล้วค่ะพระอาจารย์อันนี้หนูก็เลยเริ่มที่แบบไอ้นี่มากขึ้นค่ ะ, ะแล้วก็ทําอย่างเดียกวก็คือพยายามอย่างจำอย้าให้ใจเราทุกกับอะไรทั้งนั้นถ้าพระอาจารย์หนูก็พยายามว่าอ่ะโอเคให้ใจเราทุกน้อยลงแค่นั้นนะค่ะพระอาจารย์จะไม่จะไม่อะไรยังไงกับใครละหนูก็คิดไว้ยอย่างเนี้ ประดูใจของตัวเองให้เยอะขึ้นค่ะไม่มีอะไรค่ะผ้าจานตั้งใจไว้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะใจเป็นส<า>ิ่งที่สำคัญที่สุดอ่าะผ้าจานค่ะคุณผู้ค่ะผ้าจารนไปที่ปรึกจาต่อปรึกาคนสุดท้ายแนละ้วไป แบบประมาส ก, การค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรคะ่ะวันนี้หนูเข้ามาฟังทำเฉยๆโอเคสบายดีนะสบายดีค่ะช่วงนี้งานยุ่งก็ปกติวันนี้หนูจะต้องไปวัดหลังจากซูมแต่วันนี้เคกบอกป้าที่วัดว่าพงไม่ได้เพราะว่าไปแล้วหนูพงกังวลตอนนี้กี่โมงสองสองโมงเช้าเขาปรับเวลาค่ะปกติตอนที่พระอาจารย์เรียกหนูหนูจะต้องแบบเอื้อมมือเปิดไฟแต่ตอนนี้มันแปดโงครึ่งแล้วค่ะ เอาเวลาไปชั่วโมงเปล่าขึ้นมาชั่วโมงแล้วเป็นโอเคทำงานที่บ้านนะแล้วทำใช่ค่ะหนูทํากราฟิกดีไซน์ทํางานที่บ้านก็อาศัยคอยแบบจับความรู้สึกตัวเองในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่ว น, <ช> ว, นวันอยู่ที่ไหนวันอยู่ที่ในเมืองวัดอยู่ห่างไปประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะอยู่เลยใส่เลขนิดนึงค่ะก็ไกลเหมือนยังนะค่ะใช่ เป็นวัดที่ว่าคุณนั้นนะป่คุณที่ใครเข้ามาในซเอ่าคอลวัดกันค่ะวัดที่ค่ะวัดที่พี่คนนั้นไปเขาจะเป็นวัดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีคนไปถวายเพจตลอดเวลาเขาอยู่เชเลมเขาอยู่เชเ่มนใช่ค่ะอรู้จักเขาไหมไปเจอกันไหมไม่รู้จักอาจจะเคยคุยอะไรกันค่ะเห็นแต่ในซูมีเดียวนะค่ะใช่ค่ะโอเควันนี้ไม่ได้ทรมาค่ะ โอเคถ้าไม่มีอะไรก็แล้๋ยวเรา ข, ขอไปที่คุณคุณลาต่อนะอ่าสาธุค่ะขอบคุณคาะมีมีคําถามตอบทายด้วยคุณลาอ่ากราบนมัสการคพระอาจารย์มีทั้งหมดหกคาถามเจ้าค่ะคําถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบขอขมาเจ้าค่ะถ้าหากคําถามไม่เหมาะสมขอโอกาสกราบเรียนถามเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ณปัจจุบันหากอยู่กับแฟน เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องและเป็นคนในครอบครัวโดยที่ไม่มีอะไรกันและไม่ได้อยากมีอะไรกันกับแฟนไม่มีพิธีการแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสคุณพ่อและคุณแม่ทั้งสองฝ่ายรับทราบและอนุญาตแล้วถึงแม้นอาจจะยังอยากให้มีการจดทะเบียนสมรสกันอยู่แต่ก็ไม่ได้บังคับแล้วแต่การสมัครใจของลูกๆ การกระทำนี้จะผิดศีลข้อสามหรือทำให้เกิดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไม่เจ้าคะอ๋อท่านรักเดียวใจเดียวแล้วเป็นที่รับรู้กับของคนทั่วไปก็ก็ถือว่าเป็นเป็นคู่ครองกันมันสามีภรรยากันแต่อาจจะไม่ได้ทำตามขนบธรรมเนียมเช่นจดทะเบียนหรืออะไรจัดงานแต่งนั่นเองแต่โดยพุทนจริงมันก็เหมือนกัวว่าเป็นการรับรู้กับ ของคนทุกคนแล้วว่าเป็นของของกันและกันถ้าถ้าตราใดเรา ล, ลกันไม่ไปมีของนอกบ้านก็ก็ถืว่าไม่ผิดประเพณีไปลงไดคถามต่อไปจากคุณปฏิตากราบนมสรสการพระอาจารย์ค่ะเวลาเห็นคลิปเด็กเล็กๆขอแม่บวชหรือคลิปพระป่าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะคิดว่าถ้าร่างนี้หมดลม ขอให้ได้เป็นแบบนี้เถิดขอให้ได้บวชขอให้ได้มีเวลาปฏิบัติร่างกายพร้อมสู้กิเลสเวลาไปหาหมอข้ามะเร็งไทลอยไม่น่ารักก็คิดว่าพร้อมจะไปไม่สนร่างนี้แล้วอันนี้เกิดจากความเบื่อหน่ายหรือเปล่าคะมันก็แล้วแต่มันจะเกิดจากอะไรก็ตามแต่เป็นความคิดที่มัน ไม่ควรที่จะคิดแบบนั้นนะันจะคิดว่าตอนนี้เราปฏิบัติทําได้เราทำไมต้องไปรอพบหน้าชาติหน้าทําไมมไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหญิงหรือเป็นชายของการปฏิบัติมันอยู่ที่ว่าเรามีศรัทธาหรือไม่เรามีความเพียรพยายามหรือไม่มากกว่าอย่าไปถูกกิเลสมันหลอให้เรามองไปอนาคตชาติหน้านานู่นอันนี้เราเจอศาสนาพุทธ น, นะนิบนิบช่วยโอกาสอันดีนี่้ ปฏิบัติได้ไนมะ่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายแก่หรือไม่แก่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ก็ตามเพราะการปฏิบัติโดยหลักมันส่วนใหญ่มันหยุด ป, ปฏิบัติด้วยจิตไม่ไม่ได้ปฏิบัติด้วยร่างกายแม่ร่างกายพิการก็ปฏิบัติได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ปฏิบัติได้แต่อาจจะยากแบบความควรจะคิดแบบนี้ดีกว่าตอนนี้เราได้เจอของจริงของดีแล้วเราจะไปหวัง นนนนันนน่บบาาาาาาาะะอพพกชมมมมจไีรุทธศสคอสอออยยสนคบกแล้ว่ำ ถ, ถามต่อไปจากคุณหนุ่มปาติหารกราบพระอาจารย์ครับกระผมอยากจะมีความพยายามในการทําความเพียรแต่ผมมีแต่ความง่วงและอยากจะขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยครับเพราะสมาธิผมยังไม่ได้เลย ว่าจะตั้งสัจจะจะไม่นอนดีไหมครับสาธุครับนอนไม่นอนไม่สําคัญหรอกมันอยู่ที่เราปฏิบัติแล้วไม่ปฏิบัติถ้าไม่นอนแล้วไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วเลยให้ตั้งสัจจะว่าจะขอปฏิบัติ ด, ดีกว่านส่วนเวลานอนก็นอนให้น้อยนอนทันที่จําเป็นคือนละสี่ชั่วโมงก็พอแต่ข้อสําคัญก็คือเราตั้ง ตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะขอปฏิบัติสติตั้งแต่ตื่นจนหลับจะดีกว่าขอนะให้เรามีพุโทโธพุโทโธไปตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่คำถามต่อไปจากคุณสวัสดีพระอาจารย์ครับตอนพระอาจารย์อยู่ในที่เงียบสงบหัวและหูอื้อไหมครับแล้วจะเอาชนะใจอย่างไรครับมันไม่มันก็ แล้วก็ไม่รู้น่ะหูเป็นยังไงมันก็มันก็ปกติอ่ะมันสงบที่ใจมันไม่ได้สงบที่ที่หูนะสงบมันก็จิตก็ยังสงบสบายาข่อถามข้อข้ อ, ขอถามว่าไงนะถามว่าแล้วจะเอาชนะใจอย่างไรครับต้องเอาความเพียรความศรัทธาศรัทธาในพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือ เชื่อในคำสั่งคำสอนของพระเจ้าพยายามศึกษาให้มากเมื่อศึกษามากแล้วก็จะเกิดเกิดความยินดีที่จะปฏิบัติตามมาคนถามต่อไปจากคุณซับตราหนูฝันว่ารถจะชนหนูในฝันหนูหลับตาแล้วนึกพุโทโธพุโทโธตอนนั้นมันคิดขึ้นมาว่ามันเป็นแบบนี้หรือแล้วหนูก็ตื่นขึ้นมา สังเกตตัวเองไม่ตื่นเต้นตกใจคะ่ะใจนิ่งแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะแต่หนูยังไม่ได้สมาธิเลยคะ่ะก็มันไม่เกี่ยวกับสมาธิหรอกมันเกี่ยวสตินะถ้าเรามีสติแล้วทำใจให้เราไม่วุ่นวายได้ก็ใช้ได้นะคาถามต่อไปคำถามสุดท้ายจากคุณเก่งกราบนมัศการพระอาจารย์ครับ จิตที่นิพพานไปแล้วสามารถมาสั่งสอนให้จิตของคนที่ยังไม่นิพพานไปนิพพานได้ไหมครับหรือสามารถมาสื่อสารได้เท่านั้นครับก็สื่อสาร ก, ก, ก, ก็ก็เป็นการสั่งสอนการสื่อสารก็เป็นการพูดคุยนานานกันสนทนากันก็ตามที่ครูบ า, าอาจารย์หลวงปู่มั่นทนา่านเล่าใหังว่าท่านก็มีพระพุทธเจ้าพระอาหานย์มาแสดงธรรมโตท่านอยู่นั่นก็ ก็เป็นว่าทำได้เปดขึ้นได้แต่มันได้เกิดกับทุกคนก็นแล้วกันอันนี้อาจจะเป็นกรณีพิเศษเฉพาะบุคคลหมดแล้วเลยคุณนะ้นาคำถมหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคหมดแล้วก็หมดเวลาพอ ด, ดีก็นี่เลยเวลามาหน่อยแต่ก็เป็นประโยชน์ก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์จากการได้ยินในฟังาหรับในคืนนี้แลวนำเอาไปใช้ในการปฏิบัติ ให้ดีขึ้นต่อไปการแสดงธรรมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านตรงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิพจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมนี้ขึ้นไปเถิด